بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة ا للمتقين ولا عدوان إلا عن الظلمين وصله وسلم على شرف الأولين و, آ, و, و إ, ا ل ا خ ر ي ن نبينا محمد وعلى ا ل ه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى م الدين ثم م ا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلناني آيات الله سبحانه وتعالى سنهت وصو كبوبة سيستها และผู้สับสับหลับกับกาะพวกมูนาฟิกีนและให้เฉียบขาดกับพวกเขาก่อนหน้านี้อัลลอฮฺได้อเลาได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ศรัทธาและกัลักษณะของมูนาฟิกีนและบอกกับพี่น้องว่าการระบุลักษณะผู้ศรัทธากับลักษณะมุนาฟิกีน มันคล้ายๆเรื่องระเบียบหรือกฎเกณฑ์หรือหน้าที่ของพลเมืองในประเทศชาติหน้าที่ของข้ะราชการต้องทําแบบนี้หน้าที่ของทหารต้องเป็นแบบนี้จะรู้ยังไงว่าเป็นพลเมืองคนดีก็ต้องต้องทำแบบนี้ทําแบบนี้เอาพลเมืองไม่ดีะทุจริตามแบบนี้แบบนี้ เป็นเรื no share, no. ่องที่บางทีรู้กันโดยปริยายหรือบางทีก็เป็นสิ่งที่ถูกระบุโดยกฎหมายหรือโดยระเบียบกุออ่านนี้ก็เหมือนกันอย่างที่บอกกระทรวงตะเตอ์บ้านี้มันพูดถึงเรื่องโครงสร้างของสังคมมุสลิมในวาระสุดท้ายของท่านนบี صلى الله عليه وسلم จะเสียชีวิตนี้แม้กระทั่งในกฎหมายสากลนั่นนะ คนที่ทำความดีและสังคมได้ชื่นชมชื่นชอบเนี่ยความดีที่เขาทำเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับกับกฎหมายกับประเบียบไอ่น้องว่ า, าไหมไอ้ทีงว่าอันส่าคลองเนี่ยไม่มีสะพานข้ามระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งน้นคนละเมืองคนดีเขาบอก ผ, ผมทำเอง ควักตังเองสร้างสะพานาพเลยไม่ต้องบอกเขตไม่ต้องยื่นแบบไม่ต้องไม่ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องอะไรเนี่ยสังคมก็จะให้รางวัลเป็นพลเมืองคนโอ้ยคนเสียสละโอ้ยคนควักตังเขาทาเพื่อสังคมเพื่อ ม, มาอาจจะอาจจะติดคุกด้วยส้ำใช่ไหมทั้งดังดีในมุมมองของบางคนหรือส่วนตัวเขาเนี่ยเขาก็ทำความดี แสดงว่าความดีมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีระเบียบวาระที่จะยืนยันได้ว่ามันคือความดีเหมือนกันนะครับหลักการศาสนาศาสนาบอกว่าให้ละหมาดห้วักตู้แต่มีคนบอกว่าโอาวักตู้ในสมัยนบีนุ่น <c> เ <oughs> ี้เราแย่เราต้องเพิ่มหน่อยละหมาดละหมาดสักิบวตูจะดีไหมพี่น้องใครว่างๆนี่ก็อย่าเอาแค่วตูนะเอา สักห้าสิบวกตัวเอาอะเอ่เออ้างด้วยนะว่าก็มันก็เดิมมันห้าสิบวกตูไม่ใช่เหรอศา ส, สนาจะชินชอบไหมไม่ไม่ความชั่วก็เหมือนกันมันจะไม่เป็นความชั่วถ้าไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกฎหมายอีเหนี่ยนเพราะความชั่ว ความชั่วนี้มันจะนํามาซึ่งการประนามสังคมไม่มีสิทธิ์ที่จะประนามใครโดยที่เขาทําสิ่งที่มันเป็นความชั่วในสายตาของคนบางคนตามอารมณ์ของคนบางคนว่าว่ามันเป็นความชั่วเช่นเดี๋ยวนี้สมมติถ้าตะกรอนนู่นนะ่ะถ้าถ้าสุนัขจรจัดหรือแมวจรจัดนี่ไปขี่หน้าบ้านแล้วก็เขาก็ไล่สุนัขไล่ ไล่แมวไล่สัตว์เลี้ยงแบบเนี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดาไงเดี๋ยวนี้ถ้ามีใครทำเอาไปไล่ไปอะไรเนี่ยแล้วก็มีคนแอบถ่ายคลิปเนี่ยโอ้ไม่แน่สังคมเนี่ยอาจจะอีกวันหนึ่งก็ขึ้นช่องสามแล้วโดนดา่าแล้ะเพราะความชั่วความชั่วมันจะไม่เป็นความชั่วด้วยด้วยอารมณ์ด้วยความคิดส่วนตัวของคนบางคน ในอิสลามก็เหมือนกันในอิสลามถ้าเราได้ทำอะไรที่เป็นที่เป็นความไม่ชอบของคนบางคนเนี่ยมันจะไม่ถือว่าเราได้ทำบาปหรือทำสิ่งที่จะนำมาสิ่งกันสิทธิในการที่จะถูกประนามหรือจะถูกเชื่อว่าคนคนนี้นะโอคนนี้ติดนรกเข้านรกแน่นอนทั้งนั้นดิสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่ามันเป็นความชั่ว ตามหลักศา ส, สนาและความชั่วที่เป็นความชั่วเนี่ยเหมือนกฎหมายสากล น, นะนะจะเอาผิดใครจะเอาใครติดคุกเนี่ยเอาแล้วถ้าไม่มีกฎหมายรองรับ ม, มันไม่ได้เป็นอาญาไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยตำรวจตำรวจจะเล่นงานได้ไหมอาตำรวจม า, ามีมาจับกลุ่มคนหนึ่งคำถามแรกเลยข้อหาอะไรไหมจับ ตำรวจมาจับอีหมายจับมีหมายจับข้อหาอะไรพราะถ้าไม่มีข้อหาเนี่ยตำรวจจะมีจะมีสิทธ์จับอะไรมาไม่มีสิทธิ์อย่าว่าจับน่าเรียกหมายเรียกเรียกข้อหาอะไรหรือมีเหตุผลอะไรเรียกทําไมทำไมถ้าไม่มีไม่มีเหตุผลอะไรนี่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะกล่าวหานรืจะหรือจะหรือจะตั้งข้อหาถ้าเขาไม่ได้ทําสิ่งที่มัน ผิดกฎหมายและสิ่งที่เป็นกฎหมายเนี่ยจะต้องมีจะต้องมีข้อกฎหมายระบุอย่างชัดเจนว่ามันเป็นความผิดทีนี้เรื่องมุนาวิกีเนี่ยมันเกิดมันเกิดปัญหาว่าความสับลับกับขอกเนี่ยพฤติกรรมของมุนาวิกีส่วนมากะนะส่วนมากเนี่ยมันเป็นพฤติในไม่ใช่พฤติกรรมแปลว่าอะไรอะแปลว่ามุนาวิกีเนี่ยคือคนที่ซ่อนเดน ความกูฟรและกเเ็เปิดเผยเปิดเผยอิสลามความผิดมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ที่อัมพรางการปฏิเสธศรัทธาและการอัมพรางปฏิเสธมันผิดนะแต่จะพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ยังไงมันไม่มีโอกาสที่จะพิสูจน์นอกจากนึง่งสารภาพเองสารภาพเอง ว่าได้พูดได้กระทมสิ่งที่มันเป็นคำพูดหรือการกระทาของมูนาฟิกินสารภาพเองชัดเจนแล้วว่าได้ทำผิดที่ศาสนาบอกว่ามันเป็นความผิดสองคนมาเป็นสักขีพยานมาเป็นสักขีพยานละว่าทาและตั้งข้อหาเหมือนความผิดทั่วไปความผิดอําพรางทั่วไปเนี่ยสมมติว่าฆ้าประเวณี ค่าปเวณีเนี่ยค่าปเวนีผิดลักศาสนาแน่นอนบ้านเรานี่ยผิดกฎหมายไหมค่าปเวนีผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายคนรุ่นใหม่นี่เยอะมากเลยนะครับที่เข้าใจว่าค่าปเวนีเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายพราะเขาเห็นกันเห็นกันมันมันมันอย่างกับกินน้ำอะอยางกกินน้ําื่มถนนอะ ผิดกฎหมายเนี่ยไปทิ้ไทยเนี่ยค้าประเวณีเนี่ยผิดกฎหมายนะรู้ไหมอะไรนะไม่ใช่ค่ามนุษย์ผิดประเวณีนี่แหละผิดประเวณีเนี่ยหมายถึงว่าเนี่ยผิดประเวณีแหละค้าประเวณีเนี่ยค้าประเวณีผิดกฎหมายแล้วสมมติว่าเขาไปฆ้าประเวณีกันคุยิงกันว่าจะไปฆ้าประเวณี เขาทำเขากระทําสิ่งที่ผิดกฎหมายถ้าตํารวจไม่จับซึ่งหน้านะอาทุกอย่างที่เขาบุกกันนี่ก็ไปจับกันนะจับซึ่งหน้าเนี่ยค้าประเวณีเนี่แล้วส่วนมากก็หลุดกันนะนะเพราะอะไรเพราะาจับกันตอนตอนที่ไม่ไดิบตอนที่ไม่ได้ทําเนี่ยแล้วจะพิสูจน์ยังไงคําว่าค้าประเวณีหมายถึงว่ า, าจ่ายแล้วก็รับเนี่ยแล้วก็รับบริการ แล้วมันจะจับยังไงอ่ะตอนตอนที่จายส่วนมากนักก็หลุดคดีกันส่วนมากกนะ็น่าหลุดคดีและคิดว่าเขาร่างกฎหมายให้หลุดคดีไปซ้ำเอาละถ้าไม่ได้จับซึ่งหน้าแต่มีคนร้องเรียนร้องเรียนในวสคนนี้นี่ครับะเวนี่แล้วมีสกีพยานหรือมีหลักฐานเช่นเออเช่นกิฟเช่นอะไรก็ตามมานะแล้วก็ร้องเรียนให้ดาเนินคดีหรือมี ฝ่ายหนึ่งอะฝ่ายหนึ่งที่ข้าวเบเวนี่เชนเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยไม่ได้รับตังแล้วก็ไปฟ้องว่าเนี่ยแล้วก็ไม่จ่ายแล้วก็มีหลักฐานแล้วเขาเป็นสกิพยานอันนี้ก็เป็นคดีทั้งดั้งดีตอนที่กระทาก่อนตอนที่กระทาความผิดเนี่ยตอนที่กระทำความผิดเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีใครเห็นเจ้าหน้าที่ก็ไม่เห็นมันก็ต้องดําเนินคดีในรูปแบบนี้ เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นสมัยท่านละบียโซโลลและซาลัมเกี่ยวกับเรื่องมุนาฟิกินนี่แหละเนื่องจากว่ามุนาฟิกีนข้อหาของเขานี่หนักนะข้อหาหนักนะทรยศชาติเลยนะแล้วทํำสิ่งที่อาจทาให้พวกเขาเนี่ยตกศาสนาและตกศาสนาถือว่าเป็นเป็นอาชยกรรมร้ายแรงที่สุดมูตัดนี่เป็นอาชยกรรมร้ายแรงที่สุดในกฎหมายอิสลาม แต่มันเป็นเรื่องในหัวใจอะทำยังไงอะมันจะดําเนินคดีดได้ไงกับมูนาฟิกินและด้วยเหตุผลนี้เนี่ยทางคุรบานและคดีของท่านนาบีสุลต่านละวะเลวซัลลัมไม่มีการเปิดเผยมุนาฟิกีนชื่อมุนาฟิกีนหรือพฤติกรรมของมุนาฟิกโดยเจาะจงบุคคลคือถ้าเจาะจงบุคคลที่เท่ากับตั้งข้อหาละมานีิเองเป็นเองเป็นเป็น เป็นจำเลยแล้วแถ้าเป็นจำเลยเนี่ยก็ต้องมีคดีต้องมีหลักฐานต้องมีกระบวนการวิธรีทำทำไงอ่ะย่างนั้นไม่ดําเนินคดีแล้วทําอะไรอ่ะกล่าวกล่าวหาทั่วไปเฮ้ยคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ะระวังตัวนะอันนี้จะได้สังคมจะได้ป้องกันตัวเองจากพฤติกรรมของมุนาบิกินหรือมุนาบิกินจะมาสารภาพเอง สารภาพเองว่าเขาทําอย่างนี้จริงหรือมีคนไปร้องเรียนว่านี่คนนี้เขาพูดแบบนี้หรือกรณีที่สามสองกรณีนี้เนี่ยที่จะพิสูจน์ว่าเป็นมูนาฟิกีแล้วก็อยู่ที่ดุนปินิทของท่านนาบีในฐานะที่เป็นผู้วักษาเป็นเกาะดีนะว่าจะเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่องหมาถึงว่าจะดําเนินคดีหรือไม่ดําเนินคดีมีวิธีหนึ่งก็คืออัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกท่านนาบีคนนี้เป็นมุนาฟิกคนนี้มูนาฟิกถึงเรื่องนี้ เป็นหลักฐานที่ชัดแจ้งที่สุดนะแต่น บ, บีไม่ใช้ในการดำเนินคดีกับพวกมุนาฟิกินซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอากิดาโดยตรงนะอะไรล่ะการกระทาที่จะทำให้มุสลิมคนหนึ่งคนใดเนี่ยตกศาสนาไม่จำเป็นต้องทำด้วยด้วยกิยาอย่างเดียวนะ หมายถงว่าอาจจะเป็นต้องเห็นว่าคนนี้กราบไหว้เจวิตนะไม่อาจจะเป็นวาจาก็ได้วาจาสื่อให้เห็นว่าเขาเนี่ยปฏิเสธห ล, ลักศาสนาลบหลู่ศา ส, สนาดูหมิ่นศาสนาวาจาสามจิตใจเขาเนี่ยหมายถึงว่าใจเขานี่ยนะ ใจเขาเนี่ยปฏิเสธศาสนาไม่มีวาจาไม่มีการกระทาถ้าคนที่ปฏิบัติหรือพูดวาจาที่ทำให้ดกศาสนาอันนี้ชัดเจนอันนี้เราเรีย ก, กว่ามุดตัดแล้วนะเพราะมันเปิดเผยไงแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้ทำแต่เขาแฝงการปฏิเสธนี่แหละกลุ่มเนี่ยที่เราเรีย ก, กว่ามูนาฟิก ผมเนี่ยที่เราได้กันมุนาฟิกนคนที่พูดหรือกระทำสิ่งที่ทำให้ตกศาสนาเนี่ยโดยปริยายนะเจตนาของเขาเนี่ยต้องมีอยู่แล้วหมายถึงว่าเจตนาที่จะตกศาสนาเจตนาที่จะหมินศาสนาเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับวาจาและการกระทำด้วยเหตุผลว่าคนถ้าถูกบังคับให้พูด เรื่องกูฟรเนี่ยถูกบังคับให้กล่าวคำกูฟรเนี่ยไม่ถือว่าตกศาสนาหรือถูกบังคับ <c oughs> ถูกบังคับให้กระทำสิ่งที่เป็นกูฟรเนี่ยให้การไหวใจเวทอย่างเงี้ยถูกบังคับถ้าไม่ทำโ ด, ดข้านะอันนี้ก็ไม่ถือว่าตกศาสนาแสดงว่าเจตนาเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันแต่ถ้าไม่มีบังคับละ่ะเขาไม่ได้บังคับแต่เขาทา โดยอัธยาศัยหมายถึงว่าทาไม่มีใครบังคับนะเขาเขาทำกูฟตเขาทำกูฟรต ท, ทำเองไม่มีใครบังคับอันนี้แสดงว่าเจตนาเจตนาเนี่ยมันสอดคล้องกับการการการะทำโดยปริญาเพราะไม่มีคนหรอกทำอะไรอย่างหนึง่งแต่ใจนี่จะเอาอีอย่างหนึง่งลบหลูท่านนบีดาท่านนบีเผาคุตั๋นาโอ้เจตนาฉันนี่เขารู้คุตั๋นจริงนะมันเป็นไ ป, น ป, นปนไม่ได้ ถ้าเผากุรอ่านแสดงว่าหัวใจเนี่ยมุ่งแล้วที่จะลบหลู่กุรอ่านวาดกระตูน ล, ลบหลู่ท่านนาบีนี่เป็นไปนไม่ได้ว่าเขาในใจเขานี่เข า, เขาลบท่านนาบีซึ่งในคำสั่งสอของท่านนาบีเป็นไปนไม่ได้ผมอธิบายเรื่องนี้เนี่ยเพราะได้ฝังคลิปอันนี้เยอะนะคนที่ออกคลิปใครที่มีความรู่วอะไรนิดหน่อยนึงไล์แล้วก็พน พูดถึงเรื er. ่องลัทธิเซคูอาริสม์เนี่ยลัทธิลัทธิที่แยกศาสนาจากโลกนี่ลัทธินี้ก็คืออัลลอฮบังท่านบอกว่านี่พวกมุนาฟิกยุคใหม่มุนาฟิกยุคใหม่อย่างที่บอกกับพี่น้องว่าเขาพยายามที่จะเผยว่าเขาเป็นมุสลิมยังไงละหมาดละหมาดไปทำองค์ร้องแต่ยังเอาศาสนานนี้มายุ่งกับธนาคารนะ อย่าเอาศาสนามายุ่งกระสานตัดสินอย่าเอาศาสนาศาสนานี่อยู่ในสุราอย่างเดียวเรื่องแบ่งมรดกเรื่องอะไรตัมีอะไรนี่นั้ศาสนาไม่เกี่ยวแล้วเขาเข้าใจว่าแบบนี้เนี่ยเขาเป็นมุสลิมได้ไงนี่มุนาฟิกยุคใหม่แต่คนที่เขาเขาปล่อยคลิปเนี่ยเขาบอกว่าที่จริงเนี่ย ละทิศเกอรละดิสเน่มีในสังคมมุสลิมเนี่ยเยอะมากเลยมีเยอะมากเลยแลย้วเขายกตัวอย่างผมตกใจเลยทั้งนังนดี้ของคลิปเนี่ยถูกสถาบนาว่าว่าเป็นคนที่โอ้โหนี่พูดองอักขิดได้เก่งมากเขาบอกว่าเนี่ยในงานจเราห์มุสลิมเนี่ยเปิดหนังเปิดเพลงเปิดอะไรเนี่ยเนี่ยทำอย่า ง, นางนเนี้ยแยกศาสนาออก ออกจากลกูกเขาจัดงานจัดงานสุราแยกศาสนาออกจากลกูกและถือว่าตัวเองในมีสิทธิ์ที่จะทําเรื่องบาปเขาก็มองว่าคนที่จัดงานสุเราแล้วก็เปิดเพลงเนี่ยเปิดเพลงเนี่ยแยกศาสนาออกจากชีวิตอันเป็นพฤติกรรมของของลัทธิเซกอร์งแต่เขาม่กล้าที่จะบอกว่ตกศาสนาเพราะถ้าพูดแบบนี้เนี่ยก็ เสร็จแล้วนะเสร็จเลยนะสังคมของเรานี่ไม่เหลือเลยแต่มันเป็นความเข้าใจขัดขือนของเขาและกันหลายคนที่ไม่ได้เรียนอากีดาเป็นสเต็ปแบบเนี้ยแล้วก็เข้าใจว่าเ อ, อแบง่งให้ชัดเจนว่ามุมินเป็นใครฮะกาเฟรเป็นใครแล้วก็มุนาหิกลักษณะของมุนาหิลเป็นยังไงเงื่นอนไขของความเป็นมุนาฟิกที่จะเป็นยังไงและสิ่งเหล่านี้นี่ยที่ทําให้เกิดปัญหาในสังคมของกลุ่มต่างๆที่มีความสุดโต๊ะ เท่ากับเท่ากับมองว่าทุกคนที่ทําบาปทุกคนที่ทําบาปบาปนะี่ยไม่ใช่เรื่องกูโฆษณะบาปเนี่ยเช่นเปิดดนฟังดนตีหรือเปิดหนังเปิดเพลงจัดคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยทุกคนที่ทําบาปโดยไม่ถูกบังคับเนี่ยและถือว่าเป็นสิทธิ์ของตัวเองในการทําบาปคนนี้เนี่ยเป็นลทัทธิเซกุลเร์สันคือแยกศา ส, สนาแ ส, สดงว่าแ ส, สดงว่าคนนี้เนี่ย มีพฤต set ิกรรมของพวกเซกโอลาริสพวกที่แยกศาสนาจากโลกเนี่ยก็คือคนที่ไม่เอาศาสนาไงเขาเอาศาสนาเฉพาะในมัสยิดและที่เซกโลาริสเนี่เอาศาสนาเฉพาะในมัสยิดที่อื่นนี่ก็ไม่เอาศาสนาคนนี้เนี่ยไม่ใช่มุสลิมแต่เรื่องเรื่องละทิเซกโลาริสเนี่ยที่เขาตกศาสนาเนี่ยจากว่าเขา ไม่ให้ศาสนามีอิทธิพลในทุกภาคส่วนของชีวิตมุสลิมซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของเขาถือว่าเป็นเป็นบาปใหญ่ที่ทําให้เขาตกศาสนาแต่คนที่ทําบาปทั่วไปคนที่ทําบาปทั่วไปแม้ว่าเขาเชื่อ ว, ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทําแต่เขารู้ว่าตัวเองกําลังทําบาเขารู้ว่าตัวเองกําลังทําบา ซึ่งเป็นลักษณะของมุสลิมเกือบทั้งหมดเลยอ่ะที่เขาทาบาปกันรู้ว่าตัวเองทําบาปคนที่เสพยาเนี่ยคนทั้งว่ากําลังทนนําซุนนะหนึ่งนะมีไหมเคยคิดเออมีใครดื่มเหล้าบอกว่าถฉันดื่มเหล้านี่ฉันกำลังฉันกําลังซีกรุ่นน้อยอยู่ไหมทุกคนที่เขาทำบาปนี่มุสลิมมานะ แล้วก็ยังมุสลิมเกือบทุกคนนะ่ะนะทำบาปแล้วก็ยังมีความสํานึกนะมันจะน้อยจะมากเท่าไหร่นะก็มีความสํานึกกันที่ทอยู่เออไม่น่าเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าลึกๆเนี่ยเขารู้ว่าทําบาปทุกคนที่ทําบาปเนี่ยก็รู้ว่าตัวเองทําบาปนี่นะและถือสิทธิ์ที่ทําบาปนี่เนื่อจากอิสระที่อัลลอฮฺให้เลือกกว่าจะทําบาปหรือทาบุญเนี่ยอนนี้ไม่ตกศาสนาทําไมอะสมัยท่านนาบีเนี่ย มุนาฟิกนะไม่เคยโดนข้อหาทําจินา่ามุนาฟิกไม่เคยโดนข้อหาทําจินา่าแต่โดนข้อหาหนักในเรื่องอีมานพวกเขาเหล่านั้นนะ่ะตกศาสนาอย่างสิ้นเชิงครอารบอกจะ ม, มีอะไรอะไรที่จะเรียนรู้ตรงนี้เขาตกศาสนาทาั้งดังดีมุนาฟิกเหล่าเนี้ยไม่เคยโดนข้อหาทําบาปใหญ่ไม่เคยโดนข้อหาทําจินา่าหรือหรือขมโมยหรือดื่มเหล้า ต่มีมะสหาบะาน ท, ท่านอื่นที่โดนข้อหาสหายบ้านมีนะโดนข้อหาทำบาปใหญ่มาอิซมาอิซที่สารภาพทำสินามาอิซวลอวามีดีย่างทั้งชายและหญิงที่ทำสินาแล้วมาสารภาพก็ตั้งหลายยอดอับนัไฮามารดื่มเล่าไม่ใช่ครั้งเดียวนะครั้งแล้วครั้งเล่านะ ถึงขนาดที่ซาบะบางคนนี่จะแช่งเขานบีบอกว่าอย่าแช่งเขาเพราะคนนี้รักอัลลอ์และรัสูลอ้าวแสดงว่าเขาทำบาปใหญ่นะแต่เขาไม่มีข้อหาของพวกมุนาฟิกที่มันกระทบนี่กระทปเปบเรื่องอ ي มา ن อย่างสิ้นเชิงและมาอิซัลคอมีเดียที่โดนขวางหินจนตายเนี่ยและมีซาบะจะมาแช่งเขานบีบอกว่าอย่าแช่งเขาเพราะเขาเตบัด เตาบัดชนิดที่ว่าถ้าเอาเต้าบัดนี่มาแบ่งให้ชาวมาดินนะาทั้งหมดเนี่ยเตาบัดของเขานี่มันจะเพียงพอสำหรับคนทั้งเมืองเลยนี่ไม่ใช่บุนอาภิกนะได้ทำบาปใหญ่สแสดงว่าการทำบาปใหญ่ทั้งดั้นในตอนที่เขาทำเนี่ยเ ข, เขาก็ถือว่าเขาก็ถือว่าสิจะทำอะ่ะแต่เขารู้ว่าเขาทำบาปเนสังคมมุสลิมเนี่ยถ้าคนเขาทำบาปแต่เขาไม่มีความเชื่อลทิ แยกศาสนาออกจากออกจากโลกเนี่ยบาปของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ในสถานะเป็นบาปจะเล็กแตใหญ่เนี่ยก็แล้วแต่จะไม่ทําให้เขาเนี่ยตกศาสนาแต่งได้อันนี้ต้องเข้าใจแต่ถ้ามีสมมตินะครับสมมติว่ามีมุสลิมเชื่อว่ากัญชากัญชาได้ มันไม่เป็นเมาโ่ฮ้ยเรื่องเมาไม่เมานี่นะศาสนาไม่ต้องเอามายุ่งเลยมี่กี่เอานี่มันเป็นนวิถีชีวิตของผู้คนเขจะเมาก็จะดิน่าก็จะอะไรนี่ศาสนาไม่ต้องมีศาสนาหนิเราไปทําหน้าที่ไอบาดาต่ออัลลอฮ์นี่ออกจากมัสยิดทำอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของมนุษย์เขาเรื่องของพลเมืองเขาคนที่เชื่อแบบนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมตัวกูจะชาดเลยไม่ใช่มุสลิม ทำไมต้องพูดชัดบอมันมีในสังคมของเรานี่มีแบบนี้แล้ต้องพูดชัดเผื่อเขาได้ยินเรากําลังพูดเนี่ยเออแบบนี้นี่ไม่ใช่มุสลิมเผื่อเขาเขายังไม่ได้ศึกษานี่จะได้สํานึกจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองใครที่เชื่อแบบนี้นี่ไม่ใช่มุสลิมต้องสํำนึกต้องตังบัตรตัวแต่ตาบใดว่าเชื่อว่าเขากําลังทาบาปอยู่เฮไม่ใช่ไหมก็เป็นไม่ใหมขยเกี่ยมบัตมันก็บาปอยู่ดีแล้วรู้ตัวว่าเออวันหนึ่งก็ต้องเลิกบาป ยังไงก็ต้องเลือกบาปคนที่สูบบุหรี่เนี่ยต้องถามดินี่ลุงจะสูบบุหรี่อนตายอย่างไงวันหนึ่งก็ต้องหยุดอย่างน้อยนี่ถ้านอนติดเตียงก็ต้องหยุดเข้าไอซูนี่หมอจะให้สูบบุหรีย่ยไงใครๆก็รู้นี่บาปอะไรที่มันเป็นบาปแล้วเขารู้มันบาปนี่ก็ต้องหยุดคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนมีเป็นเจ้าชู้ฮะและ บางท่านจแต่งงานแล้วมีลูกแล้วทำไม่ยังอ๋อต้องเลิกยังไงก็ต้องเลิกมันบาปางานนี่เราอันนี้พูดพู ด, ดตามตามตามกระแสนะกระแสแบบว่าคนที่แบบว่าหลุดหลุดโลกในคะวามเขายังยังเยาวชนหนุ่มสาวอยู่ยังยังมีโอกาสอยู่ก็เล่นให้เต็มที่มีแบบนี้จริงแต่เขาก็ยังรู้ตัวเขากําลังทําบาปอยูอ่เหล่านี้ไม่ใช่มุนอาภิษ แล้วมันมีให้พิสูจน์ว่าคนเหล่านี ن ب ن ب ้เนี่ยคนที่ทําบาปเนี่ยแล้วรู้ว่าเขาทําบาปเนี่ยหลักการศาสนานี่ตัวบทหลักฐานนี่มีเยอะนะและประสบการณ์ในชีวิตเราเนี่ยก็มีเยอะนะให้เห็นว่าไอ้คนที่ทําบาปแล้วรู้ว่าทำบาปเนี่ยส่วนมากเนี่ยหัวใจเขาเนี่ยเป็นหัวใจที่เลื่อมใสในศาสนา จริ ง, รงบ้านไปเขานี่อัลลอฮ์ก็จะช่วยให้เขาเนี่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงชีวิตเด่นดีเลยในบันทึกขวงบุคอรีแลวมุสลิมจัณฑ์นนบีเล่าเหตุการณ์สองคนพี่น้องคนหนึ่งขยันทำไมมาได้อย่างเข่งขัดอีกคนหนึ่งสนทำทำบาปไม่เลิกไอ้คนเข่งนี่ก็เตือนเตือนคนสน ม, มึงจะเลิกเมื่อไรทุกวันเนี่ยเจอกันเมื่อไรจะเลิกมึงเมื่อไ้จะเลิกเจอทุกวันเนี่ยเตอนอย่งเดียวไ อ, ไอ้ไอ้คนที่ซนนี่นะก็ต้องราคาญสิเป็นเรานี่จะรำคาญ น, นะเออเจอเช็คเจอเช็คทุกวันมึงยังไม่เลิกอี ก, อกยังไม่เลิกอีกเจอทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นใคร <laughs> เป็นใครที่ราคาญ เป็นคนเข่งก็รำแข็ใช่ไหมไอเมื่อเธอพี่ชายเขาเนี่เขาก็บอกว่าไม่ต้องยุ่งได้ไอัลลอฮฺไม่ได้ส่งเจ้าให้มามาเป็นยามมาเฝ้าชีวิตชันเนี่ยไม่ต้องยุ่งไดมไหมไอคนเข่งเนี่ยก็ได้ของขึ้นเฮ้ยอุสาเตือนมันเป็นห่วงมันมันยังมาว่า ก, กูแบบนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเน่ยเดี๋ยวนะี่ยเดี๋ยวอนะัลลอฮฺจะให้มึงเข้านรกแน่แน่แค่นี้ซึ่งเป็นคำขู่ที่คนแหลาคนเนี่ยในสังคมเนี่ยบางทีก็อาจจะอาจจะใช้โดยไม่รู้ตัวใช้สำนวนนี้หรือสำนวนสำนวนอื่นก็ได้มึงเดี๋ยวโดนนะั่นรกแน่แน่เนี่ยเขาพูดแบบเนี้อัลลอฮฺจะให้มึงเข้านรกแน่แน่ นบีบอกว่าอัลลอ์ะอัลลอฮนีดํารันี่มาปกป้องเลยนะปกป้องเลยนะทงว่าอยู่้นบีในยุคนันนะ้นให้ไปบอกว่าอัลลอ์ให้อภัยไอ้น้องชายที่ทบาปเนี่ยทบาปไม่ยอมเลิกอัลลอฮ์จะให้ไปรับและไอ้คนพิมงเนี่ยที่สาบานว่าอัลล์จะให้คนน้องชายเานีเขา้นานรกเนี่ยอัลล์จะให้คนนี้แหละไอ้คนพิเนี่ยเขาา้านรกแท ก็จะมาอลามาต้องอธิบายให้เป็นไปเด็นไงถ้าเราเอาตาช่างนี่โอ้โหคนเข่งนี่อุซ่าเตือนเนาะแล้วเป็นห่วงเนาะแล้วน้องนี่ก็ยังยังดันแต่ดื้อกับพี่ชายเขาอีกวิชายก็ด้วยความเป็นห่วงนี่เขาก็เลยคู่ย่งไปคู่ก็อีกอลามาก็ต้องอธิบายเ่าบอกว่าคนที่ทําบาปเนี่ย เลที่อัลลอฮฺบอกว่าจะ้เขาสวรรค์นเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่สำนึกสานึกในบาปตลอดเวลาเพียงว่าจังหวะในการตักเตือนที่มันไม่มีศิลปะมันไม่มีกาละเทสะการละเทสะเนี่ยไม่จำเป็นต้องรักษาสำหรับผู้น้อยกับผู้ใหญ่นะกาละเทศะเนี่ยทั้งผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องก็ต้องมีการละเทศะกับกับผู้น้อยด้วย ไม่มีให้มาไม่มีการละเทสะไม่มีอะไรจึงนัก i สียหัดเนี่ยข้อเตือนเนี่ยมันไม่ลงที่มันไม่เข้าที่เข้าทางแล้วคนคิงนี่นะเขาทำไิบาดาโดยที่ไม่พยายามตัดเตือนตัวเองมัวแต่ตัดเตือนคนอื่นนะไม่เตือนตัวเองจนนึกว่าตัวเองเนี่ยมีสถานะ ที่สามารถตัดสินคนอื่นว่าจะเข้านรกถึงขั้นดีสาบานด้วยพระนางออลเราว่ามึงง้ามขอสาบานนามึงเข้านรกแน่แนซึ่งมันเป็นมันเป็นนิสัยของคนยะสูงไยคนตะกะบดุ่ยคนตะกะบดุที่นึกว่าตัวเองอนี่ในสังคมมนุษย์นี่ติดคุกมาเยอะแล้วนะอ้างเบื้องสูง อ้างเบืองสูงเบื้องสูงไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปอ้างเบืองสูงอ้างสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงโดก็ต้องเชิญนี่ก็เหมือนกันอ้างเบืองสูงอ้างอัลลอฮ์ขอสาบานด้วยพระนามอัลลอฮ์อย่ว่ามึงเนี่ยเข้ารุกแน่ๆสิ่งอะไรในสัมโนะะดีสเนี่ยมันเที่แอบอ้างสิทธิ ปะกาศิทของอัลลอฮ์นี่ว่าคนนี้จะสวรรค์คนนี้จะนรกนี่ใครบางอาจที่จะมาอ้างปะกาศสิทของอัลลอฮ์ได้ข้านี่จะให้เอ็นนี่แหละเข้านรกและให้น้องชายเนี่ยเข้าสวรรค์อิทธิติทุกข้อเลแสดงว่าทำบาปอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอที่จะกล่าวหาเจตนาของผู้คนว่าเขาเป็นมุนาฟิกและนี่คือเหตุผลว่า ทำไมายถึงความเป็นมุนาฟิกเนี่ยมันเป็นบาปใหญ่กว่าทุกบาปใหญ่ความเป็นมุนาฟิกถึงแม้ว่ามันไม่มันเป็นการกระทําที่ไม่น่ารังเกียจเหมือนจินา่าเหมือนกินเหล้าเหมือนเนี้ใช่ไหมความเป็นมุนาฟิกนี่ก็แแฝงกุปปรและเผย อ, อิสลามแค่นี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นบาปใหญ่กว่าจินา่ากว่ากินริบากินดอกเบี้ยกว่าดื่มเหล้า แล้วพฤติกรรมมนฟิบแบบนี้ท่นอัลลอฮุซฮานะวะตะลาบอกว่าเจ้าของพฤติกรรมแบบนี้อินนัลมุนาฟิกีน่ะใดั่งเดอัลเฟลีมีอยู่ในนรกชั้นต่ําที่สุดต่ำที่สุดนี่แสดงว่าทําสิ่งที่ชั่วที่สุดในบรรดาความชั่วทั้งหลายก็มาเริมต้นก่อนที่จะที่มาเพราะอายะนี้อายะวันนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยที่จะแบ่งแยกพฤติกรรมแล้วก็พิสูจน พฤติกรรมของมุนอ ن ฟิก I mean ีนเพราะเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวกับอายะเนียมันก็เกี่ยวกับเรื่องพิสูจน์พฤติกรรมของมุนอฟิกีนด้วยนะอายบสามอิฮลิฟูน و ق ا ل و َ ل َ ق َ د قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُ إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ ف َ ض ل ه ف َ ن ي َ ت ُ و ب ُ ي َ ك ُ و خَيْرًا لَهُمْ ي ت و َ ل و ْ ي ُ ع َ ذ ِّ ب ه ُ م ْ ي ُ ع َ ذ ِّ ب ه ُ م ُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا ل َ ه ُ م فِي ا ل أ ر ض م ن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ح ْ ل ِ ف ُ و ن َ بِاللَّهِ فَقَوْسَ ع ب َ د ُ ا ل ل َّ ه مَا قَالُوا ب ُ و َ ك ْ و َ و ْ م ٍ دِبُوتُ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُ ซึ่งท้ายคขามีห่งการปฏิเสธสัตว์จุลัสอิบนะสุไวดอิบนะซอมิดจุลัสอิบนะสุไวดอิบนะซามิดป็นชาวเมดีนแต่งานกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงติดลูกลูกข้าอนี้ชื่ออาไมรก็เป็นลูกเมียใช่ไห เขาก็ดูแลลูกเมียนอย่างดีเลี้ยงอย่างดีเลยเลี้ยงอย่างดีส่งเสียดูแลอย่างดีเลยพอมาช่วงสงครามตะบูกเนี่ยก่อนที่นบีจะออกไปทำสงครามเนี่ยมันเริ่มมีบรรยากาศของบททดสอบในสังคมในสังคมมุสลิมแหละ พ ล, ลเมืองดีกับพ ล, ลเมืองไม่ดีทําไมน บ, บีขึ้นเอ้ยไปจิ้ฮาดกันใครมีอะไรใครมีทรัพย์สินใครมีอาวุธใครมีพานะเนีไ่ไปมันทุใครเป็นบททดสอบแหละคนที่จริงใจกันนบนบีหน่อยไปไปไปไปไปกระดมไ อ, อคนดีซ่อนความเป็นมุนาวิกนี่มาตั้งแต่ต้นเลยนะ่ะเขอสงครามแต่แล้สงครามนี่ตั้งแต่น บ, บีมาม า, มาดีหน้านี่นะน บ, บีไม่ดีเกณฑ์ ไม่ต้องการเกณฑ์คนเยอะขนาดนั้นสงครามแต่และสงครามไม่ต้องการเกณฑ์คนเยอะนะแต่นี่จะไปจะไปสู้กับโรมันเนี่ยเขามากันสองแสนกว่าทหารละสองแสนกว่าในมีก็ต้องเกณฑ์คนให้มากที่สุดแล้วคนนี้ไม่ไปนี่ก็ถือว่าดูไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีแหละบรรยากาศแบบนี้มันเลยนเป็นบรรยากาศที่มัน สำหรับคนที่ไม่เต็มที่กับท่านน บ, บีนั้นต้องอึดอัดจีเริ่มพูดในสังค ม, มเรื่มพูดในะไหนคนที่คนที่จะช่วยน บ, บีเ น, นี่ยนะี่คือคือคือคนจริงใจกับอิสลามจริงๆไอ้คนนี่กำลังลังเลนี่พวกนี้นี่เป็นเป็นมุนาฟิกหรือเปล่านคนก็เริ่มซุบซิบกันอัลจุลัสอับดุสวยดอับดุสอมก็นั่งอยู่กับพรรคพวกของเขาที่เป็นมุนาฟิกเหมือนกัน แะลืมว่ามีเด็กที่นั่งอยู่เนี่ลูกเมีย น, นี่นั่งอยู่เราไม่อัลจุลาสิ่ก็บอกกับพวกพวกนี่ที่มูฮัมหมัดนี่พูดพูดกับสาฮาบกับสาวกนี่ถ้าที่มูฮัมหมัดพูดจริงอะนะพวกเราเนี่ยลาอย่าลาออกนะพวกเรานี่ลามันก็บอกว่ า, ถ, าถ้าได้อินคำว่าลานี่ยก็ เปลี่ยนเป็นอะไรเป็นควายจะได้เข้าใจหน่อยลาหนิในในธรรมเนียมอาหรับนี่ลานี่ก็คือสัตว์สัตว์ที่มันมั่วที่สุดนะลาี่ทจูงไปไหนนี่มันก็ไปมันก็คล้ายๆกับบือบ้านเรานี่แหละจูงไปไหนนี่มันก็ไปเราก็เทมุฮัมมัดมันพูดจริงนะนะแสดงว่าพวกเรานี่ควายทั้งนั้นนะอูมายนีสะดุง้ง พ่อหนี้พ่อเลี้ยงที่ที่เขากรตันอยู่โดยตลอดแล้วเขาทำดีกับเขามาโดยตลอดเขาบอกว่าพูดได้ไงอ่ะผมนี่อึดอัดมากเพราะข้าพเจ้านีนรักท่านมากเคารพท่านมากแต่ถ้าแต่้ตตขาข้าพเจ้าไม่ไปบอกท่านนบีเนี่ยขาาา้าพเจ้าก็ถือว่าไม่ไม่ใชศรัทธาแล้วอัลดูลาสตกใจตกใจ ถึงขนาดคิดคิดในใจเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันจะไปบอกนะถ้าบอกนะพีมัมมัดเนี่ยช่วยเลยนะสวยเราชวยหมดเลยแค่แค่ตั้งสารแล้วก็เรียกม้ามักโอ้โหนี่รู้กันทั้งเมืองนี่ว่ า, วาเรามีพฤติกรรมเหมือนพวกมุนาคช่วยคิดในใจเนี่ยว่าจะฆ่าดีไหมเนี่ยฆ่าไหมลูกเมียจะฆ่าดีไหมเนี่ยอัลลอฮอัลลอฮ์ห้าม ให้เขารู้สึกว่าเออข้ามไม่ได้หรอกอย่างไ้ก็ข้ามไม่ได้คําพูดของเขาเนี่ยสมายทึ่เ่าท่านบีพูดจริงในพวกเรานี่ยควายทั้งนั้นนะใช่ไหมคำพูดเนี่ยตกศาสนาก็ต่จากคาพูดปฏิเสธการเทศนาการเผยแพร่ของท่านนบีสโลส์เสียงสินเชิงอันนี้ค๊ลิมาตุค๊ลิมาตุลกุฟรี ะที่พูดตอนเริ่มตน้ตนเติร่นต้นบรรยายเนี่ยมันกลายเป็นคดีและมันเป็นอาชญากรรมหละจะดำเนินคดีกับเขาอย่างไงถ้าอัลยูลาสนั่งอยู่กับพวกมูนาฟิกินด้วยกันนะ่ะนะแล้วไม่มีใครรู้นบีก็ไม่รู้มีมีใครรู้เลยแต่นี่บังเอิญเนี่ยมีลูกเมียเขานี่นั่งอยู่แล้วก็เขาเนี่ยเป็นผูส้สัาหีบอ่าพักพวกเขานี่ยกว่ายังเด็กยังของวย ล้เขาเลี้ยงว่าอย่างดีก็คงคงไม่ฮะคงไม่เอาเรื่องกับเรามึงหรือไ ม, ไม่ไม่ถึงขนาด จ, จะไปฟ้องน บ, บีปรากฏว่าถึงจะเด็กแต่เขาเขา إيمان เขาเข้มแข็งไงมันเป็นจุดเริม่มต้นของการดําเนินคดีกับอัลจุลาสอิบเนสุไวย์อ้แม่เนี่ยเป็นร้องเรียนท่านน บ, บีนี่นะเริม่มคดีเป็นคดีแหละพอไปแจ้งเลยนะเรียกนะอันนี้เรียก อัลจูลาสมาเรืมานีละสารเรียกละหมายเรียกก่อนนี้นะบีจะไปสงครามตะบุกนะหมายเรียกละมาถามองค์ไม่บอกว่าเจ้านี่พูดแบบนี้จริงหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงเลยไม่ได้พูดองค์ไมก็ยืนยันน่าพูดทั้งพูดจริงเด็กกับผู้ใหญ่ จะให้นบีเชื่อใครแล้วก็มูราฟิกนี่เขาก็สาบานด้วยสบายสบายจะให้นบีเชื่อใครนบีก็คือดูท่านาบีเนี่ยว่าจะต้องต้องเชื่อมาหมายถึงว่าขั้นตอนของการดําเนินคดีนะมันไม่มีละส่ขีพยานก็ได้แต่ข้ออ้างไอ้เจ้าตัวนี้ปฏิเสธและก็สาบาน มันจะแต่กาะนู้นไม่มีคลิปไ ม, ไม่มีไม่มีคลิปลุดนะทำยังไงมันก็ต้องไปตามคันลองของมันเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม ส, ามาสามารถพิสูจน์อะไรมากกว่านี้แต่โอ้ไม่ขอดูอาตอนนั้นเลยออแ ล, ล้วได้โปรดให้ความจริงได้ปรากฏให้ความจริงได้ปรากฏไม่โอไม่นี่ไม่ท่านพูดนะท่านนาบับ่ก็ นิ่งพอ น, นิ่งแล้วเนี่ยสหายบารูเลยว่านาบีกาลังรบวยยและเป็นมารยาทของสวรในเวลาท่านนาบีจะรับวยอยูเนี่ยคนนี้รายงานเขาบอกว่าสหายบารูทุกคนเนี่ยก็จะต้องนิ่งนิ่งเปรียบเขาบอกว่าเปรียบเสมือนนกนิ่เกาะบนศีรษะสหาบารูทุกคนขยับนี่แค่คือจะถานนย่งนนไม่ได้เลยนะหันจะอะไรอย่างเงี้ยลองคิดดูสิท่า น, นกถ้า น, นกมาเกาะที่หัวนี่แล้วทาอะไรนิดนึ ง, น, งนก สัมมานี่พ่อนบีนบีมีวายุมันก็นิ่งนิเป็นความรู้สึกที่เราไม่มีโอกาสเลย รู้สึกที่เราเรานั่งอยู่แล้วก็ฟ้ากะดินเนี่ยกลังกลังติดต่อกันจึงจึงไม่แปลกนะครับว่าทำไมซอฮาบานี่เขาเขามองท่านนาบีว่าเป็นมนุษย์วิเศษมนุษย์วิเศษเพราะเป็นมนุษย์เพียงผู้เดียวที่สามารถให้ พระเจ้าแห่งสากลละโลกเนี่ยต่อสายคุยกับมนุษย์และให้มนุษย์เนี่ยมีค่ามากขึ้นมีมีมีความหมายถึงขณะที่พระเจ้าเลือกมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็ต่อสายคุยกับมนุษย์คนนั้นวายูลงมาทันทีเลยยืนยันในการให้การของเราไม มู و و ิงและยืนยันว่าที่เขาสาบานเนี่ยสาบานเท็ดอย่าพูนะบิลเลห์ิมาโาลุเขาสาบานว่าไม่ได้พูดมลกัดคาลุแต่เขาพูดและความรวดเร็วในการตอบรับ دعاء ของอัลลอฮฺอานี่แหละที่แตาไม่สาบานในเวลาท่านนบีสอนเรื่องอะไรก็่ยวกับ د ا ء นี่ขอ د ا ء แล้วอัลลอฮฺจะตอบรับเนี่ยสามารถเชื่ เพราะมันเป็นประสบการณ์นี่ก็เจอกับตัวเองแต่คนรุ่นหลังเนี่ยเนื่องจากว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นประสบการณ์ของคนอื่นนี่เขาเห็นมีคนเขาเฮ้ยเขาขออุทิศแล้วเราตอบรับนะแต่เราขอดุอิศไม่เห็นเจะตอบเลยแล้วบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนขี้ลืมก็ได้ไอ้ที่เคยขอดุอิศมาแล้วหลายปีแล้วแล้วเราตอบรับไปแล้วเนี่ยแต่เขาลืม ได้อะไรมาเยอะแ ย, ยะเนี่ยลืมเอาอันเนี้ยขออ่อนมาแล้วเรารอให้มาแล้วแต่ไ อ, ไอที่แบบว่าขอแล้วก็ได้เลยเนี่ยอันนี้จริงอันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนคือขอปึ๊บมาได้ปั๊ บ, บ อ, อันนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนเขาล่าหนี่สหบัญญี่ยนิคนชาราที่แต่งงานกับสาวบ้าคนนึ่งแล้วก็สาวบ้าคนนั้นนะ่ะก็ ใช้คําหยาอย่าร้างที่ที่มันไม่ได้เป็นคําหยาร้างชัดเจนเรียกว่าซีฮอรเนี่ยในบ้านปลายชีวิตเขาเป็นคนแก่แล้วก็เลยมาปรารุปกับท่านนบีปรารุปกับท่านนบีคุยกับท่านนบีสองคนเนี่ยแล้วท่านไงไอชานั่งอยู่ใกล้ใเนี่ยไอชาเนี่ยพยายามที่จะเอียงจะได้แอบฟังเขาพูดอะไรไม่ค่อยได้ยินฟังบ้างไม่ได้ยินบ้างได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้าง มาบ่นกับท่านนาบีบอกว่าฉันเนี่ยเป็นแม่ให้ลูกตั้งครรภ์ให้ลูกเลี้ยงลูกให้ดูแลเขาอย่างดีบ้านปลายเนี่ยก็จะมาซิีฮอดกับฉันแบบนี้ง่ายๆทิ้ฉันทิ้งฉันจะเป็นผู้หญิงไม่จะได้มีคนมาแต่งงานฉันมาก็ไม่ได้จะเป็นผู้หญิงที่เป็นภรรยาสมบูรณ์ก็ไม่ใช่เพราะเหมือนเป็นคนแขวนเนี่ยสีฮอดเนี่ยมันมีผลแบบนี้ไงก็าามาบ่นกับท่านนาบีสุลต่าละอิมอลาอิอุสสลัม ท่านนอัชาบอกว่าไมท่านปาลกับท่านนบีได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะอัลลอฮ์ลงก็เซมีอัลลอฮ์เขาอะอัลลอฮ์ได้ยินแล้วสิ่งที่เขาเล่านี่กาลังปาร็อกกับนบีได้ยินแล้วแล้วส่งบัญญัติเรื่องเกี่ยวกับเสนี่แที่บว่าปาอนดูอาดูอาบอกกับท่านนบีแล้วก็ดูอาป๊บอัลล์ตอบรแล้วไม่ตอบตอบรัแบบมีกุรอ่านมาด้วยนะ เรื่องแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นในยุคสหบนเนี่ยทำให้สหบ้นในเวลาท่านนบีพูดถึงเรื่องดูอานี่ดูอานั้นอัลลอฮ์ได้ยินได้ยินจริงบางทีเราเราเรียนรู้อาคิดาเนี่ยไม่รู้คุณค่าสิ่งที่เราเรียนต่อไปอัสมาลลัฟฟารเนี่ยการใหกับพะอัลลอฮ์เนี่ยเกี่ยวกับคุณลักษณะซฟารของอัลลอ์เนี่ยบางทีเราเรียนเรียนกันแบบเป็นทฤษฎีมากกว่า เช่นอัลลอ์มีมีพระนามพระนามอัลลอฮ์อัสมีเราทรงได้ยินแล้วก็สอนกันง่ายง่านะในกุศลกนก็จะสอนสอนผันผ่านอัลล์มีอัสมีเนี่ยศีรษะดวงบุรุนี่นะศีรษะดวงบุลุนี่หน่งอนะอัสมีนะอัสมีผู้ทรงได้ยินแต่ไม่ได้มีภาคส่วนเกี่ยวกับเรื่องตบียะเกี่ยวกับพระนาม เราทรงดีนั่นเราทรงหินสหาบ้านนี่เขาสัมผัสกับเรงนี้จริงท่านนีอาช้าบอกว่าฉันเนี่ยพยายามแอ บ, บฟังนี่ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแปบ๊บเดียวนี่อัลลอฮ์งกุอลลงมาเนี่ยละกัซามี่อัลลอฮลดีมดลือดีมแล้วดีหมดแล้วอัลล์ลตอบ อามร์นี่ขออุทานิทันดีเลยอัลลอฮ์ลงอุคานมายืนยันเลยว่าเด็กด้วยนะไม่ต้องแบบสหายอาวุโสอย่างอบูบักเรียงคนที่มีบทบาทในอิสลามนะเราจะได้ตอบเด็กเด็กขอดูอาให้อัลลอฮ์ยืนยันในความสัจจริงเพเด็กคนนี้เนี่ยเสียสละทุกอย่างแล้วเขารู้นี่คนนี้พ่อเลี้ยงเขาพ่อเลี้ยงเขาเขาดูแลเขาอย่างดีเขารู้ว่าถ้าเขา ไปร้องเรียนเ้าเนี่ยจบแน่แม่เขาก็อาจจะถูกยาเขาก็อาจจะไม่มีใครเลี้ยงเ้าอีกแล้วแต่เขาไม่สนใจที่เขาสนใจต้องยืนยันในความเป็นคนบริสุทธิ์ต่อท่านในบิโซโลโลซึ่งแรงมากกว่าว ولقد قالوا ولقد قالوا แล้วแท้จริงนั้นพวกเขาได้พูดพูดอะไรล่ะ คำว่าเตลกุฟรีซึ่งถอยคําแห่งการปฏิสตัตย์ถ้าอะไรอ่ะถอยคําแห่งการปฏิสัตย์แต่สิ่งที่น บ, บีมุฮัมมัดพูดีนพวกเราหนีควายทั้งนั้นน่นะพวกเรานีลาทั้งนั้นน่ะเนี่ยถอยคําแห่งการปฏิเสิสัตย์เราก็ฟัรูบ้งางแอิสลามแล้วพวกเขาได้ปฏิสิสัตย์แล้วหลังจากการเป็นมุสลิมของพวกเขามันเมกเซนยุติธรรม เข้าอิสลามง่ายไหมเข้าอิสลามง่ายไหมทำอะไรเล้เลยแล้วก็ออกจากอิสลามก็ง่ายเหมือนกันแฟรไม่แฟเข้าอิสลามง่ายแต่เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยต้องต้องเข้มแข็งไว้ไม่งั้นนะถ้าเผยในกว่าอิสลามเนี่เป็นเรื่องสบายๆเนี่ยพูดอะไรโดยไม่ระวังตัวนี่นะอาจจะ ออกจากอิลามออกจากอิสลามจะเรียกจะเรียกว่าโดยไม่รู้ตัวนี่ก็ไม่ได้นี่คือไม่รู้ตัวนี่ก็หมายถึงว่าไม่ระวังตัวไม่ใช่ไม่รู้ตัวแล้วคนที่พูดอะไรนั้นไม่ไม่ไม่เจตนาเนก็อาจจะไม่รู้ตัวจริงอันนั้นอันนั้นก็อาจจะไม่ไม่ไม่ตกก็ได้พูดอะไรโดยไม่เจตนาพูดอะไรโดยไม่ไม่ตั้งใจอย่าเงี้ยอาจจะไม่ตกศาสนาแต่ตั้งใจที่จะพูดนะตั้งใจที่จะพูด ลรู أ إ الله ้ว่ามันบาปเนี่ยรู้ว่ามันบาปรู้ว่ามันเป็นกูฟออย่างนี้อันนี้ไม่มีไม่มีข้ออ้างอื่นแล้วอัลลอฮฺจึงบอกว่าฮัมบูบิมาลัมยานาลูฮัมบูนีสี่เขียนยนี้ว่าฮัมบูบิมาลัมยานาลูและพวกเขามุ่กระทำฮัมมูอัลฮัมมุ่งตั้งใจ บีมาละเมียนาลูในสิ่งที่พวกเขามิได้รับผลอะไรอที่เขามุ่งทำมุ่งที่จะฆ่าเนี่ยคือเขากล่าวกูฟดแล้วเนี่ยล่าไมมเนี่ยไปร้องเรียนจะมั้ยเขาก็บอกเฮ้ย hey, ถ้าร้องเรียนนี่ฉันซวยเลยนะทำไม่งไงฆ่าดีไหมฆ่าดีไหมวางแผนน่าจะฆ่านะแต่เมียน่าลูแต่ไม่ได้ผลเพราะเราทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าฆ่ามันไม่มันไม่มีประโยชน์ไม่ได้ผล ว่า ม, มือบีมันไม่เล็กบีมาเลมยันนั่งเดนี่มันให้เห็นว่าอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ได้แฉคำพูดของมุนาฟิกีนที่เขาพูดในวงชากาแฟของเขาอย่างเดียวนะอัลลอฮ์แฉแม้กระทั่งสิ่งที่เขาเก็บไว้ในใจแล้วก็ยังไม่ได้บอกกับพวกเขาด้วยอั่จุลนสิบในซุ้ยนี่ที่เขาพูดนี่นะก็คาพูดนี้แหละที่ได้ยินกันทุกคน แต่ที่เขาตั้งใจว่าจะฆ่าลูกเลี้ยงเขานี่นะนี่ก็ยังไม่ได้บ่าแค่วางแผนกับตัวเองอะนาะโดนไปฆ่าดีกว่าฆ่าจะได้ไม่ไปบอกไม่ไปฟนะ้องนบีนะ่ยจะได้มันมันซวยอะเรื่องนี้ไม่บอกใครแต่เอาล็อกเอามาแฉอยู่ในยุคเอไอแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ไม่ถึงขนาดนี้นะทั้งนี้เนี่ย เรื่องนี้เนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยมันไม่น่ากลัวหมายถึงว่าถ้าเรารู้ว่ามีกล้องวงจรปิดและก็มีเครื่องดักฟังดักฟังอยู่ในลําคอเนี่ยแล้วก็กล้องวงจรเนี่ยมันตั้งไว้สําหรับผู้ศรัทธาเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ถ้าเครื่องดักฟังหรือวงจรปิดเนี่ยคนเป็นคนตั้งอันที่จะเราจะารําคาญ เราจะไม่ยอมสำหรับผู้ศรัทธานี่ถ้าเชื่อถ้าศรัทธาว่าเราทรงได้ยินทุกคำที่เราพูดเราทรงเห็นทุกการกระทำที่เราทำเปิดเผยหรือลับเนี่ยเราก็รู้หมดเราได้ยินหมดนี่สำหรับผู้ศรัทธานี่เป็นเรื่องที่สร้างความอบอุ่นความมั่มนคงในชีวิตมากกว่ามากกว่าที่จะสร้างความระหาดระแวงขับรถถึงไฟแดง มีกล้องบ่ะถ้าไม่มีป่านะหรือจะเป็นเป็นอาชีพกรใช่ไอ่ะถ้าไม่มีกล้องลักขโมยแต่ถ้ามีเนี่ยอืม อ, มอมืหรือใส่แมสหรือใส่อะไรเนี่ยใช่ไหมพฤติกรรมมันฟ้องไงแต่มันก็ผลเดียวกันนะหมายถึงว่าการที่ a l ะ a h ทรงเห็นทรงได้ยินเนี่ยมันก็ค่าเหมือนกับที่เราไปที่ไหนแล้วก็เป็นกล้องวงจรปิด มีทุกที่แต่แต่นี้ยังไม่ถึงขั้นดีกล้องจะมีเครื่องดักฟังด้วยนะมันแค่แต่ภาพอย่างเดียวใช่ไหแต่สิ่งที่เราพูดเนี่ยอันนี้อันนี้มันต้องพิเศษหน่อยมันก็มีค่าเหมือนกันแต่ทำไมเราก็รู้กันนะแต่ทำไมเรารู้สึกเรารู้สึกสำหรับผู้ศรัทธาสำหรับพลเมืองคนดีนะก็จะรู้สึกอบอุ่นก็เหมือนพลเมืองคนดีนเวลาเห็นกองจอนบินเนี่ยเขาก็รู้สึก ปลอดภัยคนดีที่ไม่ได้เป็นอาชญากรไม่ได้เป็นขโมยนะแต่เขาเห็นกล้องจอนบินเออรู้สึกปลอดภัยไม่ได้แต่คนเห็นกล้องจอบินนี่ก็คนที่เขามุ่งที่จะทําความผิดนั่นนะเออดูมันถ้ามีหลักฐานมีอะไรแล้วเนี่ยเราช่วยนะดูแลสิบุษย์ช่วยเนี่ยก่อนที่นบีมามัดีน่านี่นะ เขามีทาสคนหนึง่งอยู่ลซมีทาลทาสเนี่ยเผาบานูอนัมริบเนาฟซึ่งเป็นกลุ่มหรือคราเนี่ยเป็นชาวมดนเหมือนกันนี่แหละที่เาอยู่ที่แถวคูบเ น, นี่ยเผาบานอัมริบเอาฟเนี่ยเาไปฆ่าเขาไปฆ่าทาสของอัลดูลาเนี่ยโดยไม่เจตนาถ้าฆ่าโดยไม่เจตนานี่ ก็ต้องจ่ายค่าปรับค่าปรับนี่ก็เด็ดเดียนหนิแล้ค่าปรับคนที่ถูกถูกสังหารถูกฆ่านี่ก็ต้องจ่ายค่าปรับให้เขาทีนี้พวกบนฮ า, าวหรอเบนอาบเนี่ยก่อนที่นบีจะมามะดีนาเนี่ยหมายถึงยุคยังยุคยาฮิเลียอยู่เนี่ยเข า, ยาก็ยึกยักไม่ยอมจ่ายค่าปรับไม่ยอมจ่ายยึกยักมานานเล้วเป็นปีเลยอ่ะจนทึ้งนบีมาถึงมาดีนาเนี่ชาวมาดีนาทั้งหมดเนี่ยต่าง สวามิภักข์ให้ท่านนาบีเชื่อฟังท่านนาบีอัลจูลาสก็เ ล, ล, ล, าลายร้องเรียนท่านนาบีบอกว่าวนี่มีเรื่องเก่าเนี่ยใครท่านนาบีช่วยตัดสินหน่อยในเรื่องนี้ถ้าฉันเนี่ยไปโด่าเนี่ยบรรมรุมเแล้ว ก, ก็ไม่ยอมไม่ยอมจ่ายค า, าปับนอยอะนะอูดรอยตัวนะนบีก็เลยสัง่งบรหะมรุมเนาบอกว่าจเขาซบรรหะว่าวจ่าาาจาที และนี่ผลของการที่สังคมเนี่ยมีผู้นำมีระเบียบทุกคนเคารพผู้นำเคารพระเบียบนี่นี่ผลอัลจูลาเนี่ยได้ดิบได้ดีหลังจากที่นบีตัดสินให้เขาจ่ายค่าปรับเนี่ยได้อูดมร้อยตัวเขาก็เอาอูดนี่น่ยก็ไปทำธุรกรรมไปจนมันงอกเงยแล้วก็รวยเลยรวยเละเลยเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าท่านนาบีเข้ามาจัดระเบียบสังคมและอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ยังค้ง ใจกันอยู่เนี่ยก็ตัดสินให้ให้มันเรียบร้อยซะได้ดีได้ดีได้รวยได้ดีได้ดีจากท่านนบีแทนที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านนบีเนี่ยที่ตัวเองเนี่ยได้ข้าปรับแล็ร่ารวยแบบนี้นะนะมาทำแบบนี้กับท่านนบีอัลลอฮฺจึงบอกว่าว่ามานะคะมูอิลลัลอัลน่าห์มุลลาห์วะรัสูลห์มินฟัตลิว่ามานะคะมู และพวกเขามิได้ปฏิเสธและจงเกลียดจงชังนอกจากว่าอัลลอฮฺสละรอซูลของพระองค์ได้ทรงให้พวกเขามั่งคั่งขึ้นจากความกรุณาของพระองค์มันเป็นสำนวนเวลาคนมาถามคนนี้เนี่ยมีอะไรดีไหม คนนี้เนี่ยไม่มีอะไรดีนอกจากว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะชอบตื่นละหมาดเกียมุญเลยบางทีเราใช้สำนวนเนี่ยคือสำนวนมันเหมือนสำนวนหลอกใช่ปะ่ะแต่เราเจตนาที่จะคือถ้าคนนี้ไม่มีอะไรดีนอกจากละหมาตกลางคืนเนี่แสดงว่าคนนี้น่าจะมีแต่ของดีใช่ไหมมีแต่เรื่องดีทั้งนั้นนะเออบอกว่าพวกคุณเนี่ยไม่ได้เกียรติชังอะไรนาบีนอกจากว่าเอาเรื่องดีที่สุดที่นาบีทํากับเขา เกียจตชังท่านนาบีมีเรื่องที่จะเกียรติชังท่านนาบีที่นบีทําให้พวกเจ้าเนี่มั่งขาง้างร่ำรวยขนาดเนี้ก็เท่ากับว่าถ้าหากว่าเกียดชังท่านนาบีเพราะท่านนาบีทําให้รวยนี่แสดงวา่าเรื่องอื่นนบีไม่น่าจะมีเรื่องไม่ดีเลยมีตาขนาดนี้เ ร, รื่องนี้เนะี่ยมันไม่ดีน ะ, ะคนนีม้มีเรื่องไม่ดีมากคนี้มีเรื่องมีเรื่องไม่ดีเรื่องเดียวอละก็คือชอบตื่นกลางคืนละหมาดเอ้ถ้าเรื่องนี้ไม่ดีนะแต่ถ <c oughs> ้าคนนี้เป็นคนดีแน่นอน อันนี้ก็เหมือนกันโลกว่าถ้าเกีนนบบยรตชังนบีไม่มีอะไรจะเกียรตนอกจากเขเคยให้เจ้าเป็นคนรวยนะทําให้เจ้าเนี่ยยกสถานะขึ้นนี่นะแสะดงว่าน บ, บีไม่น่าเกียรติเลยในสำนวนอารับก็มักจะใช้กันอัลลอฮ์สุภาโนวดะก็มาตําหนิว่าพวกเขานี่ก็เสมือนว่าอัลลอฮ์กำลังบอกว่าพวกเจ้านี่ช่างเนรคุณน บ, บีที่เคยทําให้พวกเจ้านี่สถานะดีขึ้นแต่พวกเจ้านี่กลับเนรคุณกับท่านน บ, บี ดูลาสอิบเนสุไอยนี่พ่อทูกดันนคดีแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วอุมัยนขอดุทอายตออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ปรากฏซึ่งจะทำนะผมก็เลยทรงประทานลงมาต้นอายาเนี่ยแล้วก็แล้วก็ท้ายอายาเนี่ยก่อนที่นบีจะตัดสินอะไรนีนะอัลลอฮ์ก็ลงข้อเสนอเนี่ยแฝงยาตูบูยกรุยรละหุมและหากพวกเขาสานึกผิด กลับเนื้อกลับตัวก็เป็นสิ่งที่ดีแก่พวกเขาถ้าเขาจะตวบตัวนะดีก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์จะปรบรับบีก็จะประรับแล้วหากพวกเขาผินหลังให้อัลลอฮ์ก็จะทรงลงโทษพวกเขาอย่างเจ็บแสบทั้งในโลกนี้และบรกโลก แลวพวกเขาไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆในพื้นแผ่นดินอัลดุลลสอิบนส่วยก็เลยถามท่านนบีละ้าข้าพระเจ้าสารภาพแล้วขอกับเนื้อกับตัวนบีบอกว่าได้ในสำนวนฮะดีษที่รายงานเรื่องนี้ซึ่งบันทึในตับรานีแล้วก็อุลามาหลัยท่านนะครับสถานะฮะดีษนี้ก็อยู่ในระดับฮะซันพอใช้ แต่ในสำนวนไม่ไดีมีบอกว่าอัลจุลาสได้ประกาศเต้ตาบัด ต, ตัวอย่างชัดเจนและนาบีรับเ ต, ต้าบัดตัวชัดเจนหรือไม่แต่ฮูเรางานหัดดษเนี่ยฮูเรางานหัดดษในยุคตะบิอินเนี่ยเล่าบอกว่าอัลจุลาสอับ น, นุสไวยนได้เ ต, ต้าบัดตัวและสังคมได้พิสูจน์การกลับเดือกกลับตัวของเ ข, งขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มุ hammad อิมนิสิรินซึ่งเป็นผู้รายงานหะดิษเนี่ยเรื่องราวนี้ได้บอกว่าอัลยูแลสหลังแต่หลังจากที่ได้เต้าบาตัวแล้วเขาก็ขอโทษกับลูกเลี้ยงแล้วก็กลับมาเลี้ยงลูกเลี้ยงอีกทีหนึ่งแล้วก็เลี้ยงภรรยาเขาอีกทีหนึ่งถ้ามุ hammad อิมมิซิริเนี่ยรายงานแบบนี้ก็แสดงว่าสถานะเขาในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนบีก็ยอมรับ เขาต่างหากว่าตกมุตตดเนี่ยก็ต้องหอยาบประเรแล้วก็เป็นเรื่องเลยนะแต่นี้ถ้าหากว่าเขาอยู่ต่อไปแล้วก็ยังเป็นครอบครัวกับมุสลิมอะแล้วก็ลูกเลี้ยงเราม้ใที่ไปร้องเรียนเนี่ยก็กลับมาอยู่มันแสดงเขาคืนดีกันแ่ะก็แสดงว่าเขาสรารภาพแล้วเตบัตบตัวแล้วนะกัทุกอย่างเนี่มันก็กลับสู่สภาวะเดิมในหนังสือชีวประวัติของซาฮาบะต่างต่างอย่างหนังสืออิบนาบดุลบุรอัลิสติอาบที่ได้เราล่เาเรื่องเรื่องเองนี่ย นอดบกะได้บอกว่าอัลดสเนยได้กลับเนื้อกับตัวแล้วก็พิสูน์การกลับเนื้อกับตัวของเขาฮัสุนอิสลามการรับอิสลามของเขาเนี่ยรับอิสลามม่ก็ต้องรับอิสลามใหม่เพราะคนนี้เขาพูดคำถอยคำแห่งการปฏิเสธทำไมจึงมาตกศาสนามุรตัดเนี่ยการเต้าปฏิวัวของมุรตัดนี่ต้องรับอิสลามใหม่นะฮะมุสลิม หลงไปไปงานวัดไปกราบไหว้หนู่นนี่นะ่แทีจ่จะกลับมาจะกลับมาเป็นมุสลิมทำยังไงอะทำอ่านกุรอ่านแล้วจัไหมไม่ได้นะสถานะความเป็นมุรตันนี่ก็ยังอยู่นะจนกว่าจนกว่าจะยกเลิกสถานะเป็นมุตันเออก่ากลีม อุลามาเนี city, heaven, ่บอกว่าคนที่ตกมุรตัดเนี่ยคนกมหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมเลยอะนะจะรับอิสลามเนี่ยก็ต้องกล่าวลาอิละฮิลลลอฮมุรตัดก็เหมือนกันจะกลับมาอิสลามเนี่ยก็ต้องกล่าวลาอิละอ้ิละลลอฮถือสินอดยังเดียวถือว่ากลับอิสลามได้ไหมเหมือนคนที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมเลยอะนะแลวจะมารับอิสลามถ้าเขาถือสินอดเดรอะมาอนทั้งเดือนเลยสินอดยางเดียวเนี่ยเถือมุสลิมไหมยัง เธอเขาบอกว่าเออสกาดนี่มันดีนฉันขอออกสกาดหน่อย 2.5 เป๊ะๆ เ, เ, เลยนะตามเป๊ะถือว่ารับ伊斯兰ไห ม, มยังฉันขออ่านคุรานไหมจะรับอสลามได้ไหมแบบนี้ก็ยัง 1. ต้องเก่าวกะลิมอสองเรื่องที่อุลามาได้เอกฉันละหมาดบ่อยครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวนะพอละหมาดครั้งเดียวนี่อาจจ ะ, สะแสดงก็ได้ แต่ถ้าถูกเห็นว่าละบาศบ่อยครั้งโดยไม่มีใครบังคับเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันว่าเขารับอิสลามแล้วถึงแม้ว่ายังไม่ได้เกา่ากะลิมอห์ยังชัดเจนด้วยเหตุผลว่าในละมาสนี่มันก็มีเนื้อหาของกะลิมอห์อยู่แล้วก็มีสองเรื่องเลยที่จะยืนยันการเข้าอิสลามของเขาเห็นไหมมุสลิมที่ตกมุตตันนี่ตกมุตตนัตนล้กระทำที่มันเป็นกูฟุตเนี่ยจะเป็นถ้อยคําหรือเป็นกิริยาการกระทําเนี่ย วิธีกับอิสลามนี่คือหนึ่งข่าการิโม่ใหม่สองให้ละหมาดบ่อยครั้งถึงจะถือว่ารับอิสลามก็มีพี่น้องต่างศาสนิกก็เรียนเรียนแล้วก็ฝึกก่อนที่จะรับอิสลามมานะบางสถาบันเขาก็ให้ทําแบบเนี้คือให้ฝึกก่อนที่จะก่อนที่จะให้มีพิธีกล่าวการิโ ม, อม่อนะไรเงี้ยให้ฝึกฝึกหมดเลยนะฝึกละหมาดฝึกอ่านกุานฝึก คือสิ้นอดฝึกหมดเลยเขาก็ฝึกมาเป็นปีแล้วไงละหมาดเป็นมอ๋อเป็นผมละหมาดเป็นปีแล้วครับเชียจะขอจะขอกลิมอ่อหน่อย <c oughs> คือก็อยากจะบอกไม่อยากจะให้เขาเสียกำลังใจนะแ ต, แต่ก็ให้เขารับอิสลามก่อนแล้วก็บอกเขาอ่ะที่จริงเนี่ยท่านเป็นมุสลิมมานานแล้วท่านเป็นมุสลิมตั้งแต่ละหมาดสี่ห้าว a u เนี่ย ถ้าว่า เ, เป็นมุสลิมแล้วถ้าไม่ได้ทำอะไรที่มันหักล้างการละหมาดนะแต่การละหมาดอย่างเดียวเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการรับอิสลามยู่ดีสรุปว่าความเป็นมุนาวิกเนี่ยเป็นผู้สับหลับกับกอกเนี่ยมันเป็นอาชญากรรมในกฎหมาย伊斯兰แต่เป็นอาชญากรรมอัมพรงังที่พิสูจน์ยาก และเหตุผลนี้แหละที่ทําให้คุรานเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อมุนาฟิกและท่านนบีซอลลอฮฺสัลลัมชื่อมุนาฟิกที่ระบุไว้เนี่ยไม่ได้เปิดเผยให้ทุกคนเหมือนเก็บไว้เป็นความลับกับฮุเซย์ฟาเอมลีเลมานคนเดียวไม่ได้ประกาศว่าคนนู้นคนนู้นเป็นมุนาฟิกไม่ได้ประกาศทีนี้อายาเนี่ยก็มีทัศนะอื่นที่บอกว่า ผุ้ประธานลงมาเกี่ยวกับมุนาฟิกอีกกลุมนึงเช่นมีทัศนะของตาบอินบางท่านนะก็ตาดาหรืออุลุมอัตานึงได้บอกว่าอายนี้เกี่ยวกับอับดุลลาบินูเบยิบนิสลูลอับดุลลาบินูเบยิบนิสลูลเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งคนชนบทเนี่ยจากเผ่าจูไหนะซาโบะจูไหน่ะนี่ม่ใช่ชาวมดีนนะ มาทะเลาะกับชาวมดีนาคนหนึงคือถ้าก่อนยุคนบีเนี่ยก่อนยุคอิสลามเนี่ยต่างสถาบันเนี่ยมาเอาเรื่องกับสถาบันของเราเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนี่นะต้องมีครูเทียบตายต้องต้องมีใครตายแน่นอนถ้ามีคนมาจากเผ่าไหนก็ไม่รู้เนี่ยมาเอาเรื่องกับเราเนี่นะคือไม่ต้องถามลนะใครผิดใครถูกนะ ไม่ต้องถามนะเข้าข้างใครเผ่าของเรากอน่นี้คนต่างเมืองมาดีนาเนี่ยจัดเผ่าจุไหน้าหนิมาแล้วก็มาทะเลาะกับชาวมาดีนาค น, นอับดุลลาฮ์ฮบัยมุสลูนเนียเข <c oughs> าเป็นมุนาฟิกนะแล้ว ก, ก็ก็ยังมีเรื่องใจร้ยายของเขาเนี่ยเฮ้ยคนจุไหน้าหนิมาไ่นี่เราได้ไงโอ้ชาวอันซอรชาวมาดีนาหน่มาช่วยกันนะเนี่ย ชาวมาดินะเขาเป็นมุสลิมนะเขาไม่คอมมิชชิยาหิลียะนี่มันไม่ใช่เฮ้ ย, ม, ยมันไม่ใช่เรื่องสถาบันนะเว้ใครมาเนี่ยมันก็ต้องเอาเรื่องกันไม่ใช่ที่นเห็นแล้ววันนี้ยุคราวนี้ยุคย a h i l i y a เนี่ย jahiliya ถึงขนาที่ต้องไปสถาบันเนี่ยใส่ชุดสถาบันไม่ได้เนี่ยต้องแอบตบัวแอบเบนี่ยใส่ชุดธรรมดาแล้วกิไปแต่งตัวชุดสถาบันในห้องน้ําก่อนเข้าก่อนเข้าโรงเรียนโอ้ นีไ่ไม่ใช่สังคมที่มีซิเวอร์ไลเซชันไม่มีอารยธรรมไม่มีพี่เราเห็นกันเนี่ยทุกวันเนี้ยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องลากันทั้งชุดเลยต้องลากันทั้งชุดเลยใช่ไม่ได้เลยคนเนี่ยแค่จะไปโรงเรียนโ ร, งเ ร, นรงเรียนเข้าเนี่ยกลัวจะไปโรงเรียนใส่ชุดนักเรียนของสถาบันตัวเองไม่ได้กลัวคู่อริ ที่เขาไม่เกี่ยวนะเพราะเขาเป็นเป็นนักเรียนคนดีไนงะชาวอังสันเลยก็บอกว่าจะอะไรจะไปช่วยชาวอังสันนะเราต้องดูก่อนว่าเครผิดเคยถูกเห็นไหมต้องดูก่อนใครผิดเคยถูกเฮ้ยนี่แหละมูฮัมมัดนิมมสอสนี่แหละกับทำให้เราเป็นแบบนี้ปัจจุบันเขายกเขายกสุภาษิตนะเราไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นสุภาษิตไทยหน่อยปัจจุบัง เช้าน้าเลี้ยงงูเ <bracelet> ห <pas> ่าแาอะไรฮะชน้านี่ก็คือชาวมาดิน่าเนี่ยเลี้ยงงูเห่านี่คือใครฮะเออพลาดถึงท่านยแต่สานวนที่เขาพูดเนี่ยเขากมาซลุนกกมากีและเปรียบเสมือนที่สุภาษิตเขาว่าสมิงคาลเบกะยกุลกะ เลี้ยงหมาให้ดีนะอีกหน่อยหนึ่งดูหมากำมังก็มากัดเรานี่สำนวนสุภาษิตอาหรับมันเป็นแบบนี้ก็พาดพิงถึง ท, ท, ท่านนบีว่าเขาก็ว่าน บ, บีเป็นใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราต้องไล่น บ, บีออกจากมดีนลัลนอับดุลลอฮ์อิบนุลเบียบเนซารุเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงสงครามแล้วก็กํลังกลับมดีนะ อับดุลลาห์ถ้าเรากลับมาดีนะเราจะไล่นบีแต่ยุคริจนนั้นอซูมินั่อันั้คนที่มีเกียรตินี่จะต้องขับไล่คนที่ตกต่าต้อยทั้งหมดนี้พาดพิงท่านนบีลูกกับอับดุลลาห์มูบัยบนอิสลูดชื่อลูกเขาเนี่ยอับดุลลาห์อิบนาอับดิลละอิบเนอุบัยบินอิสลูดพ่อนี่เป็นมุนาฟิกลูกเป็นผู้ศรัทธาลูกเขาได้ยินพ่อพูดแบบนี้รีบกลับมาดีนะก่อน รีบกับก่อนพ่อลแล้วก็มายืนที่ปากทางเข้าเมืองมาดีนะพอพ่อมาแล้วนี่นะนี่จับเสื้อพ่อเลยไปไหนไม่เข้ามาดีนะจนกว่าจะให้ผู้ทรงเกียรติยิ่งอนุญาตให้ผู้ตกต่ำยิ่งเข้าเมืองมาดีนะหมายถึงให้นบีเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีเกียรต ในสายตาของเขาที่เป็นผู้ศรัทธาหนะให้คนอย่างพ่อเนี่ยที่กล่าวหานายบีในว่าตกตนะ่ำนั่นพ่อนีแหละที่ตกต่ำแค่นั้นลาบดุลรอห์หนูไปซบอกวา้ oh, ชาวมดีนะชว่วยลูกไม่ให้ฉันเข้าบัานฉันนั่นยไม่มีทางนาบีต้องอนุญาตก่อนก็มีคนไปบอกนาบีครับอาบดุลลอห์หนูไปมิซูรุ่เนียเป็นผู้ใหญ่ที่มีเกียรติในมดีนะ ก่อนที yep nah t t ah. ah ah e uh, ่นบีจะมาเนี่ยเกือบจะถูกสถาปนาถูกเลือกตั้งเป็นกษัตริย์ของมดีนะและนี่สาเหตุที่ทําำไมเขาเป็นมุนาฟิกเนี่ยเพราะเขาอิจฉาท่านนบีเพราะนบีมาแล้วเนี่ยรัศมีดับไปหมดเลยนับไปหมดเลยนบีพอได้ยินแล้วเนี่ก็เลยฝากบอกรูกผมปล่อยก็เตอรปล่อยก็เตอรถึงปล่อยอุลามะบางท่านบอกว่านี่อายันเยเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แต่ที่จริงนี่อายัน มันก็มีอีกขยานในสุร้อ์หนึ่งที่อัลลอฮ์เล่าเหตุการณ์นี้อุลามาส่วนมากก็บอกว่าไม่เกี่ยวแต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่อุลามาได้บอกว่าขยานนี้อาจจะเกี่ยวก็คือเหตุการณ์ตอนที่ท่านนาบีไปสงครามตะบูกเนี่ยไปสงครามตะบูกเนี่ยและนบีอยากจะรู้ว่ามีใครมุนาฟิกที่ออกมา ก, กับกองทัพด้วยนบีก็เลยประกาศว่า เดี๋ยวให้กองทัพเนี่ยไปเส้นทางนี้นะแล้วก็ชั้นกับคนนี้คนนี้เดี๋วจ ะ, จะไปเส้นทางนี้ห้ามใครไปเส้นทางนี้นอกจากฉันแล้วก็สหบัติเป็นคําสั่งของแม่ทัพพอท่านอับีเข้าไปในช่องทางเรียกหนออัลกบะอั ก, กะบกกะบนี่หมายถึงว่าเป็นช่องทางระหว่างภูเขาสองลูกแต่เป็นทางตันทางตันนี้ก็จะเป็นช่องแคบที่จะต้องคดหน่อยนี่ต้องขึ้นลงขึ้นลง ถ้าใครมาดักทางท่านนาบีสังหารท่านนาบีที่นั่นนะ น, นะนบีหนีไม่ได้นบีเหมือนรู้ว่าจะมีคนตั้งใจลอบสังหารท่านนาบีพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีคนที่ขี่ม้าจากกองทัพนบีเนี่ยสิบห้าคนเนี่ยวิ่งมุ่งที่จะไปหาท่านนาบีท่านนาบีรู้เลยเนี่ยก็เลยสั่งสหาบ้านเนี่ยบอกว่าเอาอะไรนี่มาตีหน้ามา้า พอเขาเอาไม้เอาอะไรนี่มาตีนะม้านี่มันก็เลยตื่นตื่นก็เลยวิ่งหนีไปเลยน บ, บี ก, ก็เลยบอกว่ารู้จักไม่เป็นใครพอเขาไม่รู้จักเขาปิดหน้าหมดเขาปิดหน้ากันหมดน บ, บี ก, ก็บอกว่าแต่ข้าพรเจ้ารู้น บ, บี ก, ก็เลยเรียนชื่อสิบห้าคนเลยที่ปิดหน้าเนี่ยเป็นใครนในในในทั้งหมดเลยและหลังจากนั้นนะท่านบีก็เรียกพอถึงกองทัพแรกเนี่านบีก็เรียกสิบห้า สามคนเนี่ยยืนยันกับท่านนาบีว่าเขาไม่ได้ยินท่านนาบีประกาศว่าห้ามตามไม่ได้ยินแต่อีกสิบสองคนนี่นะไม่ได้ไม่ได้มีข้ออ้างใดๆเลยสิบสองคนเนี่ยที่ท่านนาบียืนยันไว้กับที่ปรึกษาของท่านนาบีด้วยเฉพาะโอย้ยเพื่อนี่แหละสิบสองคนเนี่ยเป็นมุนาฟิก และเนี่ยทีที่อัลลอฮ์ะพวกเขาก็ฝรุ่ยพลีบุน์กับอัลลอฮ์มาที่เขาบอกว่าสาบานว่าเขาาไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ได้ทำที่เขาไม่ได้พูดไม่ทํานี้ก็หมายความว่าเขาไม่ได้ตามนบีจะได้สังหารนบีเป้าเลยเขาสาบานอัลลอฮ์บอกว่าแต่เขาพูดแล้วเขาทําว่าฮัมมูบีมาละเมียนาลูมุ่งมุ่งทามุ่งอะไรมุ่งที่จะไปสังหารท่านนบีบีมาและเมียนาลูที่ไม่ได้สำเร็จผล เนี่ยที่เขาบอกว่าอยายันี่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยแต่การ น, นั้นก็ตามอยายันี้เนี่ยและทุกอยายันในสุรัตอัตโตบะเนี่ยแม้ว่าจะมีที่ไปที่มาของมันแต่จำนวนอยายันเนี่ยมันหมายรวมพฤติกรรมของมุนาฟิกีนที่เกิดบ่อยบ่อยครั้งที่มา ด, ดีน่าในยุคนั้นก็คืออะไรพูดอะไรเลอะเทอะ พออัลเรียกมาทำเปล่าเลยและสาวบางเปล่าเลยไม่ได้พูดเปล่าเลยไม่ได้ทำมันอันนี้มันน่าจะมีบ่อยมีบ่อยครั้งสำหรับพวกมุนาบิกนสมัยท่านอับบลลอฮสัลัลลบทเรียนสำหรับเราสำหรับผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะเขาจะไม่มีไม่มีอะไรแฝงงวยในใจอันเป็นความไม่ปรารถนาดีกับอิสลาม เรื่มุสลิมไม่มีมุสลิมต้องปรารถนาดีกับอิสลามและกับพี่น้องมุสลิมตลอดเวลาถึงจะมีสถานะความเป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์แต่ถ้ามุสลิมคนหนึ่งคนใดเนี่ยมีเจตนาไม่ดีกับอิสลามเช่นพี่น้องปาเลสไตน์เขาก็ลังต่อสู้ j i ในหนทางอัลลอฮ์สมมตินะ่ะ มีมุสลิมอ้๊ยไอ้ชาวโลกเขาทำอะไรก็ไม่รู้โดนกล่าวหาว่าขอการขอการร้ายจำวด้ตอนที่ฮามาสช่วงแรกเนี่ยที่เขาไปบุกวันที่เจ็ดตุลาเนี่ยแล้วการนเตเนียออกมาบอกโอ้โหนี่ฆ่าเด็กตัดหัวเผาคนคมขืนสตรีนี่สามเรื่องนี้น่ออกมาละ ตำรวจตำรวจและพยานออกมาแล้วฆ่าคนในคอนเสิร์ตจำได้ไหมบุกลงที่ฆ่าเด็กตัดคอนี่ตัดหัวนีไ่ไม่มีเลยไม่จริงเป็นเฟกภาพเมกฟอทอชช็อปขมคืนสตรีนี่มีผู้หญิงออกมาบอกแล้วไม่จริงไม่มีเลยเรื่องสามที่บอกว่าไปฆ่าคอนเสิร์ตอันนี้ตำรวจยิวเนี่ออกมาบอกแล้ว เพงบินยูเองมายิงกันเองเผาศพนี่เปาโกด้วนไม่ใช่อันนี้ก็เป็นทหารของยูเองเพราะฮามาสเขาไม่มีอาวุธที่สามารถเผามันต้องเป็นขีปืนาวุธต้องเป็นจรวดที่เป็นอาวุธที่รุนแรงมากที่มันสามารถระเบิดแล้วก็เผาทั้งศพเผาคนฮามาสไม่มีขนาดนั้นนี่เริ่มออกแล้วข้อมูลเริ่มทะลักออกมาละช่วงแรกโอ้ขายหน้าเจ้ลู อัายหัมุสล oh, uh. ิมขอกาย j i h a อะไรลโอ้ไม่พูดอะไรกัไม่รู้จะไปแก้ตัวยังไงกับชาวโลกผมบอกว่าพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดสมัยท่านนบีสุลละลสัก็จะพูดเหมือนนี้แหละแต่ปัจจุบันนี้เราจะบอกว่าเอการต่อสู้ของฮมาสไม่ชการต่อสู้เหมือนท่านนบีแสว่าไม่สัก j ของฮมาสไม่สักสิทธิ์ันก็ถูกต้องถูกต้อง แต่เราจะหาที่แท้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนสมัยท่านอบ100ียร์้อยปอร์ซนี่มันไม่มีหรอกมันไม่มีหรอกแต่เราจะหาความชอบธรรมในการต่อสู้ของมุสลิมเนี่ยอย่าว่ามุสลิมเองเนี่ยที่จะยืนยันได้อนะไนนี่ผูป้ประเทศสถานีดารานักกฎหมายผู้นําประเทศหลายประเทศเนี่เอาพวก็ระเทศฮมาซนี่เป็นต่อสู้ที่มีความชอบพบยากมุสลิมเราเนี่ยยังจะมาหาข้อ ความชอบให้จ i h า d ของฮามาสิหาไม่ได้แต่คนนี้ไม่จีมุสลิมเนี่ยเก็ดกันแหละเก็ดอุกการต่อสู้นี่มันมีความชอบมันเพราะอะไรเพราะความอ่อนแอของความศรัทธาของพวกเราไงเพราะพวกเราบางกลุ่มนี่ความอ่อนแอของของความศรัทธาที่จะเข้าใจหลกักการศาสนามันก็มีแหละคนที่อายเรื่อง jihad ใช่ไหมมีเนะี่ยคนที่อายเรื่องละหมาด รเรละหมาดเวลาเหุสลมก็ละหมาดแล้วกลุนมัสยิดมคนก็ละหมาดนอกมัสยิดโอ้มุสลิมน่าเกลียดไม่มีระเบียบอะไรก็ละหมาดข้างถนนอะไรยงวมุสลิมีวลาไม่มีที่ละหมาด่ก็ละหมาดตามถนนโอ้มุสลิมนี่มั่บบีบลทกุกเรื่องนีกับศนาเนี้มันไม่เข้ากับเ่ออะไรไม่เข้ากับ รสนิยมของตัวเองไงนะเขาก็จะด่าเขาก็จะด่าเราเข้าห้องน้ํำกันห้องน้ําสาธารณะเนีมาโดยตลอดเคยไหมเข้าห้องน้ำสาธารณะทุกครั้งเนี่ยโอ้โหโถส้วมนี่มันเสียดียงเลยไม่มีกินไม่มีอะไรเลยเคยไหมเนี่ย ไหนต่ไหนแล้วเนี่ยนคาร์โ่ห้องน้ำมันงฉีเต็มดูยเฉ่าถ้าคนเยอะนะและเจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาที่จะไปทำความสะอาดนะและนี่มันเป็นพฤติกรรมที่สามารถบอกว่าคนส่วนมากเป็นแบบนี้ใช่ไมแต่มีใครเคยออกมามาพูดมาประนามมาอะไรมไม่มีเลยแต่เวลามุสลิมเนี่ยเขาไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็เอาเท้าขึ้นมาวางแล้วไล้าง เป็นภาพใบยนเลยเป็นภาพบยนเลยเพราะอะไรมันไม่คุณเอาเท้ามาล้างในอ่างล้างหน้าได้ไงและไอที่บ้วกคุณนี่ยบ่ละไปฉี่แล้วกันโอ้โหนี่ฉี่มันอย่างโดนน้าพุเลยเนะี่ยไอนี่มันอะไรอ่ยมันมันอะไรอะมรสนียมไงไอคนนี่อยากจะจับผิดหาผิดกับมุสลิมก็ ม, มีมีหมดทุกเรื่องไม่ใช่ที่หาดิ่งเดียวนะทุกเรื่องเลยก็จะมีข้ออ้าง แต่มุสลิมนี่ในเรื่องหลักการศาสนาเขามีความปรารถนาดีความปรารถนาดีกับมุสลิมทุกคนและอย่าว่ามุสลิมแม้กระทั่งความปรารถนาดีกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่มีใครที่จะหาข้อแก้ตัวให้มนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันในเท่ากับมุสลิมเราเนี่หาข้อแก้ตัวแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้รับอิสลามาของเขาไม่รู้ เราต้องมาดูาเราเนี่ยทำหน้าที่เผยแผ่อิสลามให้เขารู้เรื่องแล้วเผยแผ่อิสลามนี่ใครเขาเข้าใจอิสลามให้เก็ตเตียนอิสลามที่แท้จริงเนี่ยให้เก็เตียงเราหาข้อแก้ตัวให้เขาทุกคนทุกคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้ยซ้สิ่งที่มุสลิมตัว น, นี้เนี่ยประสบปัญหามากมายเนี่ยในโลกมุสลิมเนี่ยนั่ก็คือนี่แหละคนดี สมัยมุนาฟิกีนั่นแหะทีไ่ไม่ไม่ออกไปสู้รบกับท่านนาบีข้ออาเช่ก้ามขอเขาหนีก็คือไม่เอาไหนกับท่านนาบีไม่เอาไหนกับอิสลามปัหาทุกวันนี้นไอ้คนนี่ไม่เอาไหนกับอิสลามไม่เอาไหนกับมุสลิมตายไปแล้วเนี่ยหมื่นสามพันกว่าคนละในเวลาเดียวกันนั่นนะซาอุดีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ จัดประกวดสุนัขถ้าคนนี่เขาเรียกว่าประกวดนางงามอะไรพวกนี้ใช่ป่ะและ้วสุนัขนี่เป็นอะไรสุนัขงามอะไรงี้ใช่ป่ะซาอุดีนะจัดประกวดสุนัขนะชาติเตวีประเทศซาลฟีเวลาพูดถึงประเทศแผ่นดินมะกามาดีนาเนี่ยให้เกรงใกันบ้างนี่เป็น วาจาของนักกุชการรุน่นเนี้ยที่เ้ามองว่าประเทศที่มีมักกะามาัดิน่ะก็จะต้องเป็นประเทศที่แตะต้องไม่ได้เลยและผู้รู้ของประเทศก็แตะต้องไม่ได้เลยแต่ถ้าผู้รู้ประเทศอื่นนี่นะโอ้เล่นยับเลย เ, เล่นไหนเล็กดนี่เป็นเป็นข้อหาเดียวกับมูนาฟิกินคือไม่เอาไหนกับอิศาะไม่เอาไหนกับศาสนาไม่เอาไหนกับมุสลิมมุสลิมล้มตายเทาย่าไหร่ล่ะขยับตัวไหมละ่ะ จัดคอนเสิร์ตจัดประกวดสุนักจัดอะไรต่อเมื่อไรคนเดียวกันนะ่ะนะพอสถาบันบันเทิงอะ่ะที่ซาอุดีไี่มีในโลกในโลกอิสลามทั้งหมดเลยไม่มีสถาบันแบบนี้นะ่ะมีประเทศซาอุดีประเทศเดียวนะ่ะสถาบันบันเทิงใช้งบ ป, ประมาณแผ่นดินจัดคอนเสิร์ตนักร้องทีหนึ่งมานี่เป็นร้อยล้านนะ่ะใช้งบ ป, ประมาณแผ่นดินนะ่ะ มุสลิมทั่วโลกนี่เขาบอยคอดแม็โดน่ดาใช่ตุรกีอาลิเชกนี่พอ อ, ออกมาโปโมทวันที่วันที่ย3 24าไม่ได้ี่สเข้าแม็โดน่าทั่วซาอุดีเนี่ยกินบิ๊กแม็กที่ผมรู้ว่ามีบิ๊กแม็ก่เพาะอ่นานข่าวนี่แหละผมไม่รู้ว่าบิ๊กแม็กนี่มันคืออะไรกินบิ๊กแม็กหนึ่งมือ้อแถมหนึ่งมือ้อ กับคนทั่วโลกนี่เขารู้ว่าบิ๊กแม็กนี่ไอ้แมกโดนัทเนี่ยเขาเขาให้อาหารกับาหารยูนี่ส่งอาหารฟรีเขาก็เลยบอยขอดกันแล้วเดี๋ยวนี้พากันถ่ายร้านแมกโดนัททั่วโลกกันนะไม่มีคนเข้าแต่ที่ซาอุดีเนี่ยคนคนนี้เนี่ยเขาก็มาเลยแล้วแถมให้ด้วยแปลว่าอะไรอยากจะรู้ว่าแปลว่าช่วงดี่ ชาวกา ز ากาลังล้มตายนะจัดคอนเสิร์ตมายกเลิกมีคอนเสิร์ตเยอะนะหลายหลายประเทศแม้กระทั่งประเทศที่แบบว่ามีชื่อเสียงในเรื่องบันเทิงืองนะอย่างอียิปต์เนี่ยก็มีนะมีจัดคอนเสิร์ตะอะไรเขายกเลิกหมดเลยขนาดอียิปต์นี้ยกเลิกหมดเลยนะยกเลิกหมดเลยความไม่เอาไหนกเรื่องเดียวเนะี่ยที่เราจะต้องต้องทำ ทำให้ตัวเราเห็นว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นว่าไม่เอาไหนไม่ได้เป็นแบบนั้นมันจะได้พ้นจากพฤทธิกรรมของค์น่นเองครั บ, บข้เพิจารณาครับอัลลอฮฺสัล ล, ลัลลอฮะะแนะบียนะมุฮัมมัดวะละอีลีอัลอฮฺซัลลัลลอฮมีคำถามไหมครับเออใช่ครับมีกรณีไหนบ้างที่อิสลามมีกรณีไหนบ้างทีออ่อิสลามอนุญาตให้เราเนี่ยไม่ต้องมีมารายาทต่ำต้อยนั้นไม่ต้องมีมารยาท ก็สำหรับคนที่แสดงความก้าวร้าวแข่งกระด้างกับลักการศสนาหรือกับบุคคลที่เป็นตัวแทนของศาสนาเนี่ยเราก็าสามารถแสดงความก้าวร้าวได้เหมือนในสงครามซุนพลฮูเดียบี้นี่ที่เขาส่งตัวแทนมาเจราจากับท่านนบีสุลต่านเลยสิ ซาฮาบะ์นบีเนี่ยก็มาล้อมท่านนาบีแล้วก็ตัวแทนของชาวมักกะเนี่ยก็เข้ามาเจราจา ก, กับท่านนาบีแล้วก็มีคนหนึ่งของชาวกุเรชเนี่ยก็เลยจับคราท่านนาบีจับคราท่านนาบีเนี่ยซึ่งถ้ากับคนสนิทกันไม่เป็นไรแต่ถ้ากับคนผู้ใหญ่ที่มีเกียรติในสังคมเนี่ยทำไม่ได้ก็มีสาฮบคนหนึ่งก็เลยเอาดาบดาบแล้วก็มาตีมือซึ่งคนนั้ น, นถือว่าเป็นผู้นากุเรชเลยนะ แล้วก็ตีมือบอกว่า อ, อย่าให้แต่อย่าได้แตะเขาของท่านนาบีโดยเด็ดขาดแล้วก็พูดไปพูดมาเนี่ยอบูบุัเบรเขาก็เห็นว่าเขาไม่เกียดท่านนาบีก็เลยด่าอุลมาก็เลยบอกว่าใครทีแสดงความาวก้าวร้าวต่อหลักการศาสนาอย่างเช่นเห็นคนที่มินศาสนามินลถ้าเราโต้เขาด้วยด้วยการ ที่เขาจะมองว่าเสียมารยาทพราส่วนมากเนี่ยส่วนมากนี่ก็จะเป็นแบบนี้พอเขาพอเขามินศาสนาก็เราด่ากลับเนี่ยเห็นไม่มารยาทอิสลามเห็นไหมไอ้ที่มึงไอ้ที่มึงดูถูกศาสนานี่ไม่ไม่เหมาะไม่เห็นนะเพราะคนเสียมารยาทกับคนนี้ก็เริ่มว่าแล้วนี่อิสลามสอนมารยาทแบบนี้เหรออะไรเงี้ยแต่ทําได้นะครับทําได้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเก่งใจใครเลยนะไม่ต้องเก่งใจใครเลยนะหมายถึงว่าถ้าใครเนี่ยเห็นชัดตรงชัดนะ ว่าเขาลบหลู่ศาสนาเขาเขาก้าวร้าวกับศาสนาเนี่ยเราก็ก้าวร้าวกับเขาก้าวร้าวกับเขาได้ไม่ถือว่าเสียมรารยาทไม่ถือว่าทําอะไรที่เสียมรารยาทถือว่าได้ตอบโต้ให้เขาเนี่ยยับยังไม่ให้เขาก้าวร้าวกับศาสนาสามารถทําได้ ถ, ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นถ้าไม่ถึงขั้นที่ก้าวร้าวอา่า เห็นคนมาลบดูท่านเลยขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับใจ เ, เย็นครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้จริงต้องและกระเทยละอันนี้ไม่ใช่ตอบโต้ในสิ่งที่ดี ง, งามนี้กระหม่นี่าสมมติถ้าเขาว่าละเมิดเราเฮ้ยเอ็งบ้าเปล่าเปล่ า, า, า, าครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับเออถ้าเราถ้าเขาใหม่นี่าถ้าเขามินเราอ่ะนะแล้วก็เราเสียสละเกียรติยศของเราอันนั้นได้หนี่ตอบโต้ได้ แต่สิทธิของศาสนาอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่อนนี้ไม่ใช่สิทธิของเราคนรมาลบลู่ศาสนาแล้วเราจะไปดีกับเขาเนี่ยให้เขารู้สึกว่าโอแสดงวดา่าด่าศาสนานี่มัน ส, สบายสบายใช่ไหมเอาที่สบายใจใช่ไมไม่ใช่ใครลบลู่ศาสนานี่ยเขาต้องรู้เนี่ยเขาต้องรู้ไม่ใช่เนี่ยทำแบบนี้เนี่ยมีเรื่องและมีปัญหาแต่ถ้าเขามาล่วงเกินกับเราแล้วก็เราให้อภัยเขาแล้วก็ตอบโต้ด้วยสิ่งที่ดีกว่าเีนี่น่าจะไม่ใชสิทธิของเราอยู่แล้ว ที่ผมที่ผมยกตัวอย่างนี่เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าที่ผมก้าวเร้าเนี่ยผมบอผมก็เลยยกตัวอย่างก้าวร้าศาสนาแต่ก้าวร้าเราเองเน่ะเฮ้ยบ้าบ่าวบ้ า, บาเรียนไปเรียนมาได้ครับไม่เป็นไรครับคุยกันได้ครับตอบโต้ด้วยเดียดนี้ได้เพราะเขาเขาร่วมเกินกับตัวเราเองไม่ได้ร่วมเกินศาสนานะไม่เป็นไรเราพูดดีกับเขาก็ได้ออื ไมครับยกเว้นปฏิเสธฮะปฏิเสธฮะดีสเดียวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการที่ถูกยอมรับอย่างแน่นอนว่าเป็นหลักการศาสนาเพราะการปฏิเสธฮะดีสนี้เท่ากับปฏิเสธหลักการนี้อาจจะทําให้ตกศาสนาตรงนี้ก็คือเรื่องตัวปฏิเสธการปฏิเสธฮะดีสยังเดียวเนี่ยบทสองบทเนี่ยก็ยังไม่ตกศาสนาแต่ถ้าปฏิเสธฮะดีสทั้งหมดเลย ไปดูว่าฉันไม่เอาฮะดีสเลยมีแต่กูร์รานอย่างเดียวฉันไม่เอาฮะดีสอันนี้นี่ก็ดุกศาสนครับมีพวกกลุ่มกูร์รานยุนฮะดีสไม่เอาเลยนะเขาละมาสองว aktu อ่าอาจารย์เขาไม่อาจารย์นะเพราเรื่องนี้ทั้งหมดนี่มาจากไหนมาจากฮะดีสแล้วเขาไม่เอาฮะดีสฮะดีสนี่มีละมาหนว aktu เอ่อกูร์รานนี่ให้ละมาสองว aktu อ่าก็มีศรัทธาตรัสให้หน้ฮะ ให้ละหมาดช่วงช่วงเช้ากับช่วงเย็นเขาก็ละหมาดสองช่วงเอาที่กุูอ่านบอกเนี่ยฮะดิษฉันไม่เอาขนาดนั้น